อาจารย์ครับกล่าวธรรส ก, การครับผมวันนีเจริญกราคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวังเราคงจะไม่มีอะไรสะดุดสําหรับคืนนี้แต่ก็ต้องต้อรับดูถ้าไม่ไม่ต้อนรัดูมันก็ไม่รู้ครับผมใช้ันไปถ้าเกิดมีอะไรสะดุดก็จะใช้เวลาสัก5นาทีเราจะกลับเข้ามาใหม่ครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ได้ได้แจ้งท่านผู้ชมไปหมดแล้วครับอาจารย์ครับ อาจารย์ได้รับอีเมลแล้วใช่ไหมครับผมได้รับแนละ้วจารย์ใช้อีเมลเข้ามาลองทดลองใช้อีเมลเ ข, <Okay. S 2> ข้ามาครับอาจารย์ครับก็โเคครับผมเพ่าใช้เครื่องหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะใช้ไลน์ได้หรอือเคยใช้ได้แต่ไม่รู้มันจะใช้ได้หรอือครับผมแต่อา <c oughs> จารย์ได้ชนบุรีฝนตกไหมครับผมวันนี้ไม่ต ก, ตกต น, น, น, นั่นตกในช่วงเช้าตอนบินน้ำบาสนิดหน่อยปล่อยๆตกตกตอนคืนถึงเช้า คแล้วก็อยู่ครับแล้วกลางวันก็โน้มแจ้งครับอันนี้ตอนนี้ตกนะครับที่กรุงเทพกตกอยู่ครับอาจารย์วันนี้ผมอยู่กรุงเทพครับแบงคกราวอะไรไม่เหมือนกันอ่าอาจารย์ได้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับอาจารย์ได้ยินได้ยินไถึงแบงคกราวของคุณหมออ๋อใช่ครับวันนี้อยู่ที่บ้านที่กรุงเทพครับผมโอเคเราจะเริ่มรายการเลยใช่ไหม ครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับ อ, อก็วันนี้อยากอยากลงไปลึกหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องของมัดเนื่องผลครับผมขึ้นหัวข้อว่าเรื่องมัดสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งวันนี้ขอพระอาจารย์เมตตาขยายความและวิธีไปให้ถึงด้วยนะครับพระอาจารย์ครับอ น, นี่ก็คือเป้าหมายของการศึกษาปฏิบัติธรรมตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบรรลุมัดผลผนิพพานทีนี้มัด ก, กับผลนี่มันมีอยู่สี่ระดับด้วยกัน เหมือนระดับปริญญาทางการศึกษาทั้งโลกเขาก็แบ่งเป็นปริญญาตรีโทเองและก่อนที่จะเข้าสู่ระดับปริญญาได้ก็ต้องผ่านขั้นอนุบาลขั้นปฐมขั้นมัธยมก่อนการศึกษาการปฏิบัติทางธรรมก็แบบเดียวกันก่อนจะเข้าสู่ขั้นสุดทศศึกษาของของการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรผลนิพานได้ก็จำเป็นที่จะต้องอ ขั้นอนุบาลขั้นปฐมขั้นมัธยมก่อนขั้นอนุบาลก็คือทานต้องสละเงินทองออกบวชนี่อย่างพระพุทธเจ้าสระน่าจะสมบัติอันนี้คือสำหรับผู้ที่ต้องการานับผลนิพพานจริงๆนะครต้องการอย่างรวดเร็วภายในพรหมชาตินี้ก็ต้องเอาแบบมาตรการแบบสุดๆเลยแต่ว่าสุดโต่งก็วาดไปมันต้องสุดโตง่งถ้าอยากจะไปนิพพาน อย่างพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระเจ้า ก, ก็สละราชสมบัติออกบวชนไม่บอกใครด้วยบอกว่าเดี๋ยวถูกห้ามวันนี้ไปทางนี้รู้ว่าถ้าไปบอกคนหนึ่งแล้วคนหนึ่งเขาจะไม่เข้าใจเข้าเะ้าบ้านะก็ เ, เลยไม่บอกใครหนีออกไปจากวังในยามค่ำคืนพอออกไปแล้วก็ไปบวชไปบ่งผมเองก็ทานประวัติที่เราเห็นกัน แล้วก็อยู่แบบนั่บวชสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีการบวชแบบพิเุษเขาคงจะบวชกันเองได้แล้วก็ไปสมาทานศีลกับครูบาอาจารย์ที่ไปอยู่ด้วยครูจ mm hmm. ก็ไปศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์หลายรูปนะก mm hmm. อ็อย่างน้อยก็ทราบว่ามีอยู่สองรูปที่ท่านไปศึกษาด้วย mm hmm. ไปเรียนเรื่องศีลเรื่องสมาธิ mm hmm. เรื่องการเข้าฌานอันนี้ก็ถือว่าเป็นระดับมัธยมกับมัธยม การรักษาศีลนักบวชก็ถือว่าเป็นอยู่ขั้นปฐมศีลแปดศีลสิบ น, นี่เป็นขั้นปฐมแล้วก็ไปศึกษาวิธีเจริญสมาธิเพื่อให้จิตเข้าฌานให้ได้มอมเบขาซึ่งในยุคก่อนที่พระเจ้าทรงตัดสรนว่ม่การศึกษาในการปฏิบัติถึงขั้นนี้อยู่แล้วคือถึงขั้นระดับมัธยมอนุบาล ขั้นปถมขั้นมัธยมนี้มีการปฏิบัติอยู่แล้วแต่ยังไม่มีขั้นของอุดมศึกษาคือขั้นปริญญาไม่มีใครรู้ว่าจะไปสู่มรรคผลนิพพานได้ไง ห, หลังจากที่ได้สมาธิได้ฌานแล้วก็อยู่ติดอยู่ที่ระดับฌานนั้นบวชสมัยนะั้นที่เขาบวชกันเขาก็ได้สูงสุดก็คือเข้ารูปฌปานหรืออารมณฌานแต่เขาไม่สามารถที่จะ เข้าถึงมรรคผลที่ผ่านได้หรือเข้าถึงอริยบุคคลขั้นต่ดตาได้ละสัมยชน์ได้ก็ ย, ยังไม่รู้ปัญหาว่าวอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ศึกษศาจากครูบาอาจารย์ทั้งหมดแล้วก็ไม่มีใครสอนมากจะไปต่ออย่างนี้ไปยังไงพระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปค้นคว้าด้วยพระองค์เองลองผิดลองถูกถึงขั้นหมดภะกายาคาภะกยาหารถึงสี่รือเก้าวัน ก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่มีในใจได้ก็เลยรู้ว่าถ้าอดต่อไปก็ตายไม่เกิดประยได้ก็เลยต้องย้อนกลับมาวิเคราะห์ดูช่วงที่บำเพ็ญไวยช่วงที่วิธีนี้จะบำเพ็ญที่ถูกต้องนี้ต้องอาศัยการไปภาวนาอย่ามาอดเพียงเพื่อปราม กิเลสผ่านทางร่างกายนี้กิเลสแลไม่กลัวเคยคิดว่าได้ออนาล่ะกิเลสมันจะตายไปกับการอนานนี้มันไม่เกิดขึ้นหมดไปแล้วร่างเกับจะตายแล้วร่างกายเกิดจะตายนะก็รู้ว่าถ้าหมดไปก็ตายแน่ๆแต่ยกิเลสคือความความทุกข์ในใจมันยังไม่หมดเลยก็เลยย้อนกลับมาว่าต้องกลับมาที่สมถะที่ความสงบก่อน เขามาทำจิตก่อนก่อนจะเํามาภาวนาได้ตอนนั้นก็ต้องฉันปักยอาหารก่อนยังได้มีการรับประทานอาหารพระปัจจาวัคคีทั้งห้ารูปที่ติดตามเว่าพระพุทธเจ้านี่คงจะแพ้พ่ายตัวเองนะสู้กิเลสไม่ได้ไม่ยอมกลัวตายหรือไม่ยอมตายกลับมากับมารับประทานอาหารวาฉันอาหารตามปกติ แต่ต้องมีต้องรับประทานนะเพราะร่างกายมีแต่หนังหุ้มกระดูกตามภาพที่เราเหนะ็นเพะฉะนั้นแม้กระทั่งนั่งสมาธิก็ไม่มีแรงที่จะนั่งสมาธิได้ภาวนาได้ก็เลยสงกลับมารับประทานอาหารเป็นปกติก่อนเพื่อให้ร่างกายมีกําลังพอที่จะนั่งสมาธิได้พอร่างกายแข็งแรงพอจะนั่งสมาธิได้ทีนี้ก็พิจารณา หาโมลเหตุทั้งหลายว่าเกิดความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากอะไรก็เป็นคนพบว่าเกิดจากสังโยชน์สิบนะี่หรือกิเลสตัณหาโมหะอภิชาความโวภความโกรธความหลง อ, อาสวะนี่เป็นชื่อเดียวกันนะเป็นตัวเดียวกันคือตัวที่เกาะภพเก่อชาติสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจอย่างไม่รู้จักจบจากซึ่งแล้วก็ส่งวิเคราะห์ด้วยปัญญาว่าอะไรที่จะมาทําให้กิเลสต่างๆเหล่านี้หายไป กิเลสเป็นต้นตอกิเลสก็คือโมหะความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่ามีตัวมีตนนี้พอมีตัวมีตนพอไปยึดสิ่งที่มีตัวมีตนก็อยากจะให้มันอยู่นานๆให้มันอยู่เป็นยึดจังสุขขังอัตตาอันนี้เป็นเป็นความคิดผิดนี่ะอวิชชาโมหะจะให้เราจิตของคนที่พุทุชนนี้คิดว่า สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้จะต้องเป็นนิจังสุกังละตาใช่ไหมแต่ทีนี้ทอนเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นนิจังสุกังตะตานั่งจากวิเครา้อนในปัญญาก็เลยสามารถเห็นไตรลักษณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็สามารถใช้ไตรลักษณ์นี้มากําจัดกิเลสตัณหาด้วยกําจัดทั้งโยตั้งสิงได้เรากกำจัดได้แต่ละขั้นก็ บรรลุเป็นขั้นๆไปก็ธรรมโลกมีปริญญาสามระดับธรรมธรรมก็ความจริงก็กมีเป็นปริญญาสามระดับแต่ระดับที่สองนี่ท่านแบ่งเป็นสองสองตอนปริญญาโทนของทางธรรมนี้แบ่งเป็นสองตอนคือโทห้าสิบเปอร์เซ็นตแรกแล้วโทร้อยเอร์เซนต์คือขั้นพรอนาคาเมียขั้นขั้นสกีดาคามีนี้เป็นขั้นที่ อยู่ระวา่างโสดาบันกับอนาคามีแต่ปฏิบัติแบบเดียวกับพระอนาคามีคือพิจารณาอาสุภะเพื่อกำจัดกามาราคะ แ, แต่สามารถพิจารณาได้เพียง1้อยะห้าสิบหรือทำให้กามาราคะเบาบางลงก็ถือว่าได้สำเนครั้นที่สองเป็นพระอนาคามนเป็นพระสกิดาาคามีขึ้นมา อาการที่สามารถพิจารณาสุภาพแต่ยังไม่ได้ตลอดเวลาได้ห้าสิบห้าสิบงทีก็เห็นว่าสวยว่าหล่อบางทีก็เห็นว่าเป็นซ่าเป็นโสไปก็ยังสลับกันอยู่ไปเพราะอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าทำให้การมราคาเบาบางลงก็จะได้บรรุเป็นขั้นที่สองซึ่งก็ถือว่ายังเป็นขั้นอนุญาโตอยู่ขั้นที่สองเพราะยังไม่บรรลุแต็ เต็มเต็มรูปแบบได้เพียงครึ่งเดียว ต, ต่ถ้าขยันพิจารณาต่อไปเรื่อยๆจะกระทั่งสามารถใช้อสุภะดับเวลาไปเห็นของสวยของงามได้ทันทีทันใดตลอดเวลาไม่ว่าจะเห็นหรือว่าจะ น, นึกคิดบางทีไม่เห็นมันนึกคิดในใจก็ได้นึกคิดในใจถึิงภาพ ส, สวยๆของงามันก็เกิดการมาหลมหน้าตอนนั้น อสุภามามาทําไหมมาดับทันไหมถ้ามาดับทันทีพ อ, พอพอโผลขึ้นมาปั๊บการมราคะโผกขึ้นมาปั๊บอัสุภาก็มาทันทีถ้าทำได้เต็มร้อยก็ถือว่าบันลุขั้นที่ขั้นที่สามหรือเปิญยาโททัพพุทธศาสนาคือทำให้สามยอดข้อที่สี่ข้อที่ห้าดับไป เป็นปริญญาตีนิลสังโยชน์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามได้พระโสดาบันสกายทิฏฐิวิจิติฉาแล้วสีนพธธนัตตปรามาสพอได้นิสังโยชน์สามข้อแรกก็ไปอีกสองข้อต่อไปก็คือการมาาคะากับปฏิคะซึ่งมาคู่กันมาเป็นพวงเกิดจากการมาาคะาเวลามีการมาาคะาก็จะเกิดในความโมยใจใจไม่มีความสุข ก็เลยต้องใช้อสุภะมาหยุดการมราคะพอหยุดการมราค่ะได้ปฏิฆะต้องหมดไปขั้นที่สองขั้นขั้นปริญาโทนี้คือขั้นผานนาคาไปนี้แก้ปัญหาที่เกี่ยวเรื่องกับร่างกายได้หมดเรื่องเรื่องแก่เจ็บตายก็ไม่มีปัญหาไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเรื่องของกามอารมณ์ก็ไม่มีส่วนเรื่องที่เป็น ผลพอยได้เช่นศิลและพระธปรมาจารย์วิจิตรช้างก็จะเห็นชัดจากการปฏิบัติเองพอพว่าพระพุทธพระธรรมพระสงค์นี้มีจริงหรือไม่แล้วการรูปคําศีลนี้เป็นเรื่องที่ไม่เห็นกฎแห่งกรรมไม่เห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วไม่ทาดีได้ความสุขทําทําชั่วได้ความทุกข์อันนี้จะเห็นในขณะที่ปฏิบัติรนะักสัมยลด์ข้อที่หนึ่งคือ สักระยา้าทิฏฐิมันจะมันจะได้มาทั้งพวงเลยเวลาปฏิบัติไปเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยาอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเอพิจารณาด้วยปัญญาว่าร่างกายมันเป็นอนิจจมันไม่เทีย่ยงมันต้องแก่เจ็บตายพอยอมรับปับ๊บมันก็หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เห็นชัดเจนว่าธรรมะของจางนี้เป็นของจริง มันอทำให้เป็นของจริงคนสอนก็ต้องเป็นของจริงแล้วคนปฏิบัติที่ได้ผลก็ต้องเปก็ต้องเป็นของจริงคือเป็นพระอริยสัจอันนี้ก็จะไม่ไม่ไ ม, ไม่มันจะชัดเจนจากการปฏิบัติเรื่องการทําก็จะรู้ว่าคิดดีก็จะทําให้ใจเป็นสุขคิดไม่ดีก็จะทําให้ใจเป็นทุกก็จะเห็นกฎแห่งครับเห็นเรื่องการรักษาสิลงความจําป็นของการรักษาสีล ถ้าไม่อยากจะมีทุกข์ใจก็อยากไปทำบาปแม้แต่เพียงเมื่อคิดก็ทุกข์แล้วอย่าไปว่าถึงแม้แบบไปทำเองเลยทําให้ยิ่งมีผลวิบากตามมามีเจ้ากรรมนายเวรตามมานี้สาโยอสามข้อแรกมันมาเป็นพวงขอไปแก้ที่ขันท่าอย่าไปเห็นว่าร่างกายและจิตและความรู้สึกนึกคิดของเรานี้เป็นตัวเราให้มองให้เห็นว่ามันเป็นสภาวะธรรม เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับเปได้ควบคุมได้เป็นบ า, างครั้งบางเวลาแต่ควบคุมมันไปนตลอดเลยะมันมีวิธีของมันที่มันจะต้องเป็นไปขันห้างกรูปรูปอาการก็คือร่างกายวิทนาสัญญาสังขารก็คือความรู้สึกนึกคิดพเราจะคิดว่าร่างกายเป็นเราความรู้สึกนึกคิดเป็นเราเราคิดเรามีความรู้สึกเราเจ็บเราปวดอะไรต่าง ความจริงมันไม่ใช่เรามันเป็นสภาวะธรรมเหมือนกับดินฟ้ากันเรา้อพิจารณาแล้วปล่อยวางให้มันเป็นตายมันจะเป็นยังไงมันมันจะสุขก็สุขมันจะทุกข์ก็ทุกข์มันจะไม่สุขไม่ทุกข์ก็หนึ่ของมันให้รู้ทันอย่าไปอย่าไปมีความอยากกามันแล้วว่าใจจะไม่ทุกข์กับมันพอละสาข้อได้ปัญหาเรื่องความแก่เจ็บตายข้าหมดไป ำสำรพระสวดารบันไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายความที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยความที่จะตายทุกเวลาแล้วต่อมาก็มาแก้เรื่องการมาลมการมร า, าค่ะด้วยสุภาพถ้าพิจารณาสุภาพได้อย่างประมาณห้าสบเซนก็จะบรรลุเป็นขั้นที่สองพระสกิรดาข้ามีแล้วถ้าพิจารณาอสุภาพได้ตลอดเวลาสามารถดับ การมาลาคา้าในทุกเวลาที่เกิดขึ้นก็อาจจะเรารู้เป็นพระอนาคามีขั้นที่สามถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วก็ถือว่าปัญหาเรื่องทางร่างกายนี้หมดปัญหาไปไม่ต้องพนะิจารณาเรื่องร่างกายต่อไปและจะไม่กลับมาเกิดมามีร่างกายต่อไปแต่ท่านยังมีสัญญา์เลยข้าข้อที่ต้องละให้ได้เรียกสัญญาณด้านบนคือจิตของพระอนาคามินี้ยังติดในรู ป, ปรชาณ์นะรู ป, ปรชาณ เพราะอาศัยรูปชาและรูปชาเป็นเครื่องเครื่องมือใช้ละสัมยมเริ่ตักอาศัยความสุขจากชาเพื่อมาปล่อยวางความสุขทางร่างกายแล้วก็มาติดความสุขทางชาญต่อก็ต้องพิจารณาว่าชาญนี้มันก็ไม่เทียมมันก็สุขตอนที่เข้าชาแล้วออกจากชาญมามันก็หายไปถ้าอยากจะสุขก็จะทุกข์ความอยากจะให้สุขอยากชาต เวลามันไม่ได้อยู่ในฌานมันก็อยทุกขึ้นมาอันนี้พิจารณาฌานโลกฌานและปลกฌานว่าเป็นตแล้วเหมือนกันแล้วก็มาพิจารณาเรื่องการถือตัวมานะก็จะเห็นว่ามันเป็นความคิดเท่านั้นเองคิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เขาสึกอยู่ในโนลกสมมุติเขา่าเขาก็สมมุติให้เราเป็นนั่นเป็นนี่กันเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรเป็นตัวละคร ก็เข้าใจว่านี่มันเป็นตัวละครเป็นตัวสมมติตัวจริงๆก็คือตัวรู้ตัวคิดนี่ท่านี่ที่มันไม่มีตัวตนมันเป็นสภาวะธรรมตัวคิดก็เป็นสภาวะธรรมตัวรู้ก็เป็นสภาวะธรรมก็ไล่ไปจากนัถึง ว, วิชาก็คือว่าได้เห็นอริยสัจครบถ้วนบริบูรณ์หรือยังในใจยังมีความอยากอะไรลงเนื้ออยู่หรือเปล่า กตอนนั้นก็ไปอยา ก, กเริ่มทําอารมณ์อยากให้ทําอารมณ์เรืเ่องหนึ่งเขเวทนาอยากจะให้สุขอย่างเดียวพอทําอารมณ์ที่ไม่สุขก็ก็ไม่ออใจไม่สบายใจพยายามจะกําจัดมันกําจัดมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นตายรักที่สุดก็ต้องสำนกวต้องยอมอยู่ของมันไปยอมรับทําอารมณ์และยอมรับร่างกายยอมรับเวทนาว่ามันเป็นของมันอย่างนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา จะให้มันสุกอย่ยงเดียวไม่ได้มันก็มีสุบกบ้างทุกข์บ้างสลับไปพอละความอยากในการาอารมณ์ได้มันก็ละวิชาได้หมดใจมันก็ไม่มีไม่มีความอยากของหนูต่อไปใจก็บ่อยสร็จขึ้นมาเป็นพระลานเป็นพระนิพพานขึ้นมานี่ก็ระดับปริญญาเอกขอ ง, งพระพุทธศาสนาเมื่อละสมงโยชน์ได้หม้าข้อได้ บุทัศน์ที่ที่ไม่ได้พูดถึงก็คือเกิดจากการเจริญปัญญามากเกินไปช่วงนั้นปัญญามันจะหมุนเตี้ยวพอจะหาหากิเลสหาอะไรอยู่เรื่ยๆทำไมใจเรายังไม่สงบทําไมใจเรายังมียั ง, ยงมังหมดิตยังมีอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่มันไม่มหมดจิยแบบเหมือนกับทางระดับต่ำนะ น, นี่มันเป็นระดับสูงแต่มันก็รู้ว่ามันมันก็ยังมันยังมีทุกข์อยู่ทุกข์ที่ละเอียด มันก็เลยอาศัยหลักอริยาาสัจทุกมันก็ต้องเกิดจากสมุทัยที่สมุทัยนี่ตอนนี้เราไปยึดกับอะไรเราไปอยากกับอะไรก็ค้นพิจารณาไปมากๆมันก็ฟุ้งขนาดได้พอพอเจ็บฟุ้งก็ต้องหยุดพิจารณากลับเข้าไปพักในสมาธิกถ้าไม่ภักมันพิจารณาไปมันก็เหมือนกับใช้ไม้ที่มันไม่คงปันยังไงมันก็ไม่เข้าต้องกลับไปรับมีดไปพัพผ่อนจิตใจ พอจิตใจได้รับก่อนได้รับมีพอมาพิจารณาใหม่ทีนี้ก็จะเข้าใจลึกขึ้นเห็นชัดขึ้นดังนั้นที่สุดก็เห็นว่าความอยากนั้นอยากกับอะไรก็อยากกับธรรมารมณ์ก็ละความอยากนั้นปล่อยให้ธรรมารมณ์มันเกิดขึ้นดับของมันเองมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีทั้งเป็นที่เป็นการางมีปล่อยหมดแล้ย ปล่อยทุกอย่างปล่อยร่างกายปล่อยเวทนาปล่อยท่ามารมณ์ปล่อยชาญปล่อยอะไรหมดไม่อยู่แบบไม่ต้องมีอะไรจิตนี่แหละธรรมชาติของมันมันสามารถอยู่ของมันเองได้โดยไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุ ข, ขก็เลยกลารเป็นนิพายนขึ้นมาว่างหมดว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขันยังอยู่ต่อไปนะร่างกายก็ยังอยู่ต่อไป เวทนาสัญญาฐานฐ า, างวิญญาณก็ยังอยู่ต่อแต่มันไม่มาเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อก่อนเป็นเครื่องมือของกิเลส อ, อย่างนี้มันเป็นเครื่องมือของธรรมไปเธอเนี้เอามาแสดงธรรมมาสัมสอนธรรมก็ต้องใช้ฐันห้านี้แต่ถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ฐานห้าก็อยู่เฉยๆไปไม่ลองเทศไม่ลองพูดไม่้องคิดอะไรอยู่กับความสาบความว่างของจิตก็ ค, คือนิพพาน นิพพานไม่ได้เสริมนิพานคือจิตที่ได้รับการชำระจนสะอ์บริสุทจากกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงสิ้นไปอยากใจน่าสังโยชนาสิบประการได้ก็ถึงนิพพานได้อันนี้ที่วันนี้พูดยาวยนะควรจะเข้าใจ<ำ>ม่าอยากจะถามได้เพิ่มเติมก็ถามได้ ใชครับอาา ร, ร, รก็คือช่วงที่เรากําลังปฏิบัติอยู่ก็คือเป็นโสดามักโสดาผลเวลาสําเร็จแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับอตามการิญบรรยาพิจารณาพิจารณาตายรักในเรื่องนั้นก็เป็นการเจริญมากอยู่พอพิจารณาเห็นชัดว่าเป็นตายรักแล้วยอมรับความริงว่ปล่อยวางสิ่งนั้นไปไม่ไปยุ่งไปอยากกับเขาเองพอปล่อยได้ปล่อยร่างกายได้ก็ได้ขึ้นหนึ่งพอปล่อยเวทนาได้ก็ได้ขึ้นหนึ่ง ขันมันมีสองส่วนมีนามะขันกับรูปะขันครับ้วก็แยากกันไปนั่ากายต้อตายอันนี้ก็ขันหนึ่งเวทนาก็ต้องทุกข์อีกขันหนึ่งอันนี้เป็นสองส่วนของของสักกายทิฏฐิที่ต้องพิจารณาโตหรือไม่ต้องพิจารณามันเป็นมาเป็นพวงมันมาเป็นทีถ้าพิจารณาเข้าใจเวทนาแล้วโตหรือมันก็จะมันตามด้วยกัน ไม่ต้องพิจารณาสังขารไม่ต้องพิจารณาวิญญาณไม่ต้องพิจารณาสัญญาให้พิจารณาเวทนาตัวเดียวพิจารณาว่ามันมีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันเป็นอนิจจังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้เท่านั้นเองเราก็ยอมรับมนะันมันจะเจ็บไมเจ็บมันไม่เจ็บก็ไม่เจ็บมันจะสุขก็สุขได้เท่านั้นต้องอยู่กับสภาพของความรู้สึกได้ อาจารย์ครับวันก่อนผมเจอคนรู้จักคนหนึ่งครับเขาเป็นผู้หญิงอายุสาวๆเลยครับสามสีสิบปีนะครับแล้วก็เป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็กระจายไปกระดูกคือก็กลายเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับอาจารย์แล้วเขาก็อยู่อย่างนี้มาหกปีแล้วครับแล้วท<ข>ําไม่รักษาใช่เขาไม่รักษาเขาเขาใช้การรักษาํเาเป็นนะครับอาจารย์าไม่ใช้เคมีคมโอไม่ใช้พวกใช้แสงอะไรพวกนี้หรือเปลาขาใช้จนเขาใช้จ น, จ น, จ, นจนตอนหลังเนี่ย เขารู้สึกว่าเขาเขาไม่ใช้แล้วเพราะมันทรมานเขาก็เลยหยุดใช้ใชครับใช่คุณทีนี้อาจเรียนถามอาจารย์แล้วอย่างคนอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่ได้ภาวนามากมายเลยนะครับอาจารย์แต่ผมดูท่าทางเขามีความสุขแล้วเขาก็เขาก็บอกกับผมบอกว่าเนี่ยหนูอยู่มาตั้งหกปีแล้วคุ้มแล้วตอนนี้จะตายก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เขาอาจะมีปัญญามากพอที่จะทําให้จิตอยอมรับแล้วก็สงบตัวได้ ไม่ต้องสหรับความอยากอยู่อยากอยากไม่ตายได้ถ้าใครเห้นวด้วยปัญญาชัดเจนว่างานงไม่ต้องตายไปฝืนมันไปอยากให้มันไม่ตายมันก็จะเห็นทุกข์ขึ้นมาในใจครับอาจจะใช้ปัญญาก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีอุเบกขาเนาหรืต้องหรือต้องมีในระดับหนึ่งเราก็ไม่รู้รเพราะว่าเบกขาเนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะตามมากับปัญญาก็ได้ แต่ดูลักษณะนี้ก็คือเป็นมรดเป็นผลเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเขาพิจารณาร่างกายเป็นตายรับพิจารณาความเจ็บปวดว่าเป็นตายแล้วแล้วเขายอมรับมันได้อยู่กับมันได้ไม่ต่อต้านไม่พยายามที่จะไปกำจันเขาเาก็ไม่ทุกข์ใจเขาก็จะไม่ทุกข์แต่ร่างกายก็เจ็บปวดทรมานเหมือ น, นเดิมแต่ใจไม่ทรมานไปกับความเจ็บปวดของร่างกายรับกับทุกขก็เวทนาได้รับความตายได้ครับผม อันนี้คือการปฏิบัติแบบนั่งรูปแบบซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่าชาติก่อนๆเขาอาจเคยฝึกสมาธิมาก่อนก็ได้อันนี้เราไม่รูหรือ ม, มีสติ ก, กําลังพอที่จะทําให้ใจยอมรับกับความจริงได้แต่น้นเราพูดแต่ตามรูปแบบแล้วก็ละวัดตามรูปแบบไม่ได้เสมอไปนะแล้วเขาเนีไม่นั่งสมาธิมาแล้วก็ไปทางปัญญาได้องเราไม่รู้ว่าชาติก่อนเขาอาจจะมีสมาธิมาแล้วก็ได้ เป็นคนเราทำไมเรียนหนังสือต่างกันล่ะทำไมมีความสามารถเรียนกันได้ต่างกันเพราะเขามีอุเบกขามีสติมากน้อยต่างคนมีสติมากมีอุเบกขามากก็ใจเย็นอ่านหนังสือได้ไม่ไ ม, ไม่วุ่นวายเป็นคนที่ไม่มีสติไม่มีอุเบกขามันก็จะคิดแต่เรื่องเที่ยวเรื่องอะไรกันต่างครับต่างกันงั้นนะครับอย่างพวกหมอเนี่ยมีโอกาสบรรลุได้มากได้ ใ, ใกล้ถ้าเราเข้าสัมผัสธรรมะแล้วเนี่ยขันแรกนี้ไม่ น, าน่าจะมีปัญหา เราป็ น, นับขั้นที่หมออยู่กับมันมาตั้งแต่เริม่มเรียนนังเสือมาเรื่องกายวิภาคเรื่องหน้ากายเนี่ยหรือว่าจะคนตายคนเจ็บอยู่ทุกตลอดเวลาผู้หมอเนี่ยถ้ามาบวชเนี่ยถ้าเข้าใจหลักนี่ล่ก็คิดว่าคงจะบรรลุได้อย่างไน่นอครับกลับพระคุณพู้อาจารย์ครับผมอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอถามคำถามจากเพื่อนท่านอื่นบ้างนะครับ คุณบอกกล้าทอครับกับถามพระอาจารย์ครับเวลาผมนั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วเข้าสมาธิปล่อยวางเบากายเบาใจเฉยเฉไม่สุขไม่ทุกข์แต่ลมหายใจละเอียดมากแทบจะไม่รู้เลยครับและกายก็ละเอียดความคิดออไปครับความคิดก็ละเอียดมีแต่ตัวรู้ผมต้องรอเวทนากายขึ้นถึงจะจับความรู้สึกได้ครับผมต้องทํายังไงต่อไปครับก็พยายามดูลมต่อไปถ้ายังดูได้ เพรแสดงว่าถ้ายังมีความคิดที่ละเอียดอยู่มันก็ยังอาจจะไม่นิ่งเต็มที่ให้มันนิ่งเต็ที่มันนั้ือนเวลนิ่งเต็มที่มันเหมือนกับจะเป็นเหมือนพลิกล็อกเลยเหมือนจากจิตที่มันจะจะพลิกจากซ้ายเป็นขวาหรือจากหน้าเป็นหลังหความรู้สึกมันจะต่นเหมือนหนักกับเบาใจมันจะเบาวิวขึ้นมาทันีถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องดูต้องเจริญสติต่อไปอย่าปล่อยให้ใจคิดจยา คิดทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรอย่าให้คิดให้รู้เฉยๆไปจนกว่มันจะคลิกปั๊บเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับปุ่มสวิตไฟพอเปิดปั๊บไฟโผล่ขึ้นมาเลยเวลาจิตสงบมันมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นเหมันจะรู้สึกเมาหยิ้วสงเย็นใจขึ้นมาแบบตกประลาดมาสัจจใจถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็พยายามเจริญส ต, ติต่อไปอยู่ลำหน้ากันหนึ่งต่อไป อย่าเป็นล้อเวทน า, าอย่าไปแล้วอย่าไป็น้อคําวัติกันเรื่องอะไรบางทีเราไม่ต้องการอะไรแล้ว้องการความสงบความนิ่งของใจอะที่เราทำสมาธิอาจจะสงบใ น, นระดับหนึ่งใกล้แล้วเกือบแล้วเกิดแล้วเข้าเต็มที่แนละ้วต้องทำต่อไปภาวนาต่อไปดูวมต่อไปเลื่อนเจริญสันติให้รู้เฉยเฉยต่อไปอยากขึ้นปุ๊บแต่ คุณนราธิย์ครับช่วยขยายความสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยครับทิฏฐิก็แปลว่าความเข้าใจหรือความเห็นในความเห็นนี้มันมีความเห็นที่สัมมาคือตรงกับความเป็นจริงเรียกว่าสัมมาแล้วก็มีทิฏฐิที่เป็นมิจฉาคือไม่ตรงกับความเป็นจริงตัวอย่างของมิจฉาทิฏฐิคืออะไร คือคนโบราณคิดว่าโลกนิแบบเนี้ย่ยอันนี้เป็นไม่จาริงไม่ตรงกับความเป็นจริงโลกนี้มันโกงตอนนี้เพราเรามีสัมมาทิฏฐิเกี่ยวกับโลกเพราะเรามี ม, าาา ม, มีหลักฐานมีอะไรต่างๆมายืนยันได้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโลกมันโกงเพราเราสามารถส่งยาออกไปถ่ายรูปของโลกเราได้แล้วก็มีวิธีพิสูจน์หลายหลายวิธีด้วยกันจนทุกคนยอมรับว่าโลกนี้โกด อันนั้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงถ้ายังเชื่อว่าโลกมีแบนอยู่มันแสดงว่าอันนั้นเป็นวิจฉาทิฏฐิอังนี้นเป็นเรื่องของทางโลกสัมมาทิฏฐินี้จะเลือกไปก่อนนั้นเป็นละเอียดกว่า น, นั้นคือเรื่องทางจิตใจเรื่องจิตวิญญาณที่มันไม่มีรูปร่างหน้าตาที่เราสามารถใช้ร่างกายสัมผัสดูได้เราไม่สามารถใช้ตาเรามองเห็นจิตวิญญาณได้ เราไม่สามารถเห็นผลที่เกิดจากการกระทําของจิตวิญญาณว่ามันมีกผลกระทบต่อจิตวิญญาณอย่างไรว่าเช่นทําดีจิตจะมีความสุขทาไม่ดีทําบาปจิตจะมีความทุกข์อันนี้เราจะไม่เห็นเราจะไม่รู้เราถึงปัฏิเสธว่าทาดีไม่ได้ดี ท, ทําชั่วมีถมไปเพราะว่าเราไปมองผลที่ลาบลดสนและสนสุดกันใช่ไหม เาคิดว่ถ้าเราทำความดีแล้วเราจะได้เงินเดือนเพิ่มได้ตําแหน่งเพิ่มขึ้นมีกคนสรรเสริญมากรางวัลให้เราเราสามารถเอารางวัล น, นี้ไปซื้อความสุขทางตาองจมูกนิ้นกายได้เราไป ม, มองในทางนั้นพอเราทำความดีแล้วเงินเดือนก็นไม่ได้ขึ้นตําแหน่งก็ไม่ได้ขึ้นไม่มีใครสรรเสริญมึเงินจะไปเที่ยวก็ไม่มีเราก็เลยทอ้อก็เราไม่เชื่อกดแห่งกรรมเพราะเราไป ม, มองผลที่ผิดที่กัน คนที่มีกฎแห่งกรรมแะผู้กระทากรรมคือจิตจิตเป็นผู้กระทําด้วยความคิดคิดดีคิดชั่วคิดแล้วก็จะเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาแล้วท่านนำไปสู่การกระทํายิ่งเกิดความสุขความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปอันนี้คือสัมมาทิฏฐิเห็นว่ากฎแห่งกรรมมีจรงิงแต่มันไม่ได้เกิดที่ร่างกายแล้วเกิดจากเกิดจากการได้หรือเสียราภหรือสรรเสริญสพกัน แต่เกิดจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจทําดีแล้วจะมีความสุขใจทําชั่วแล้วจะมีความทุกข์ใจถ้าถ้าเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วที่ใจก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ถ้าเห็นว่าทําดีไม่ได้ดีทําชั่วได้ดีมีได้ดีมีถมไปก็พ่อไปบอกที่ลาภโยชน์สนุปเป็นผลของการทำํำความดีความชัว่ว อันนี้มันเป็นผลถอยได้ซึ่งอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้อทําดีบางทีคนก็เห็นก็าไยกย่องเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้เลื่อนเงินเดือนให้มีมอบรางวีรางวัลให้ก็มีแต่บางทีทําดีแล้วไม่มีใครใครรู้ใครเห็นก็มีเมื่อทําชั่วแล้วหลบหนีได้ใช่ไหมหนี้ไปอยู่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่สามารถจับมาถูกลงโทษขังคุกขังตลาดได้ถ้า เ, าเปมองทางด้านรับยุทธศาสตรเสริมแล้วก็จะเผเอะ จะเกิดวิฉาทิฏฐิขึ้นมาความเข้าใจคือเข้าใจตัวอย่างของวิฉาลสัสมาทิฏฐิว่าเป็นอย่างไรครับผมคุณดวงพรครับนอนหลับอย่างไรให้ต่อนเนื่องยาวๆไม่อยากตื่นมากลางดึกเจ้าคะ่ะเหมือนนอนได้ไม่นานแล้วก็ตื่นครับพ อ, อยากว่าเราอย่างนี้นอนอย่างมากก็นอนแค่สมชั่วโมง เชื่อว่าวันเดียวมันก็ตืต่นมาปวดปัสสาวะหรือปวดอะไรของมันตานวยทางธรรมชาตินก็ไม่รู้เนี่ยไม่ไม่สําคัญอ่ะพอลุกขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวเราพอทําทุร่าเสร็จแล้ว ก, กลับไปนอนต่อได้ไม่มีปัญาเลยอย่าไปอยากยา ก, ก็มันจะทุกเนี่ยเอาตามมีตามเกิดตามสภาพของร่างกายถ้ามันหลับยาวก็หลับยาวถ้ามันหลับช่าก็อยู่กับมันไปหลับช้าก็มานอนต่อได้ ถ้านอนไม่นับ ก, ก็ไม่ต้นมาทําอะไรเดี๋ยวมันง่วงก็กลับไปนอนใหม่ได้อย่าไปฝืนธรรมชาติอย่าไปบังคับร่างกายต้องทําตามสภาพของร่างกายถ้ามันไม่อยากจะนอนก็อย่าไปนอนถ้ามันอยากจะนอนก็อย่าไปฝืนเลรามัจะชอบฝืนร่างกายบางทีถึงเวลาหลับเวลานอนก็ไม่ยอมนอนอยากจะเล่นต่ออยากจะดูหนังต่อมันก็ทําให้การทํางานของร่างกายมันสับสนวุ่นวายไปอยบ่อยมันจับมันมันจับเอาใจเราไม่ถูกกับง่าย ง, ง่ายร่างกาย แล้วเราอย่าไปเอาใจเราเราต้องเอาใจเอาใจร่างกายดีกว่าดูว่าร่างกายมันพร้อมที่จะหลับหรือเปล่าถ้ามันพร้อมก็หลับถ้ามันไม่พร้อมก็จะทําอะไรต่อก็ทําไปก่อนไม่ได้ครับเดี๋ยวถึงเวลามันเหนื่อยมันอยากจะหลับมันก็มันก็บอกเองคุณชัชุจาชุชาครับโซดาม า, มาผลคนทั่วไปก็ได้แบบนางสุชาดาหรือเปล่าครับก็อย่างที่บอกถ้ามีปรรยยัญญาเห็น เห็นเห็นตายรักในขันห้ามันก็อารยสัจสี่มันดองกันะตายรักกอริยสัจสี่นี่มันเป็นห่วงสองห่วงติดกันมันเชื่อมด้วยตัวทุกขในในตายรักก็มีทุกอริยสัจสี่ก็มีทุกถ้าเห็นเข้าใจหลักอริยสัจสี่เห็นตายรักในขันห้ามันก็จะปล่อยวาขันห้าได้ ถ้าไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บก็บรรลุได้แค่ น, นี้งง่ายๆทําทได้ไหมไมกลัวตายถ้าบอกไม่กลัวตายไปพิสูจน์ดูว่าไปอยู่ที่มันน่ากลัวดูครับหรือว่าใจเฉยเลยใจสัน่นถ้าใจสั่นก็แสดงว่ายังกลัวตายหรือนั่งให้มันเจ็บก็ได้นั่งให้มันเจ็บแล้วดูที่ปล่อยมันเจ็บไปไม่ต้องขยับร่างกายเลยหคุณพีโกครับเรียนถาม จิตต้องเกี่ยวข้องกับลูกเมีายญาติพี่น้องหัวหน้าลูกน้องต้องมากน้อยแค่ไหนจนต้องบอกว่าต้องปล่อยวางแล้วไม่ปล่อยวางแบบไม่ฉลาดกรับขอบพระคุณครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณที่คุณมีความผูกพันกัเขามากน้อยแค่ไหนผูกพันมากมันก็เกี่ยวข้องมากผูกพันน้อยมันก็เกี่ยวข้องน้อยแล้วแต่คุณคีที่ควรจะวันได้ก็คือความทุกข์ใจนะถ้าใจเริ่มทุกข์กสดาว่ามันมากไปแล้ว ตงเกี่ยวข้องนะเพาได้แบบไม่ทุกข์ใจที่ดีที่สุดคุณแม่นิทุศครับสมมุติว่าเราป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายรู้แล้วว่าเหลือเวลาไม่มากเราเลือกที่จะอดข้าวน้ําเพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่นานๆแบบนี้เป็นบาปหรือไม่คะมันไม่มันไม่เกิดประโยชน์แล้วอดไม่ได้ถ้าเราถ้าเราถ้าเราสู้กับความเจ็บป่วยของร่างกาไม่ได้เราจะไปอดข้าวได้ยังไง อดไม่กี่วันเดี๋ยวก็หิวแล้วเด็กก็ทนไม่ไหวเราต้องมาอดที่ใจต้องทําใจให้ให้ปลงให้วางให้ได้เท่านั้นเองเอาไปอดข้าวอะมันก็ยังทุกข์ใจอยู่ดีพราะใจมันก็ยังกลัวตายยังโัวเจ็บอยู่ดีมันไม่ได้ไปแก้อย่างที่เมื่อกี้ดล่าให้ฟังปัญหาพระเจ้าก็เหมือนกันนะพระเจ้าคิดว่าอดอดข้าวไปแล้วความกลัวตายกลัวเจ็บมันหายมันก็ไม่หายมันก็ยังกลัวตายกลัวเจ็บ ก็เลยรู้ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การอยู่ที่ร่างกายมันไม่อยู่ที่ใจความทุกขมันอยู่ที่ใจก็พิจารณาสาเหตุก็พบว่าเพราะความอยากอยู่ความอยากไม่ตายความอยากไม่เจ็บนี่ทำให้ใจทุกข์แต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นว่าเรื่องรายเรื่องเจ็บมันเป็นเรื่องธรรมดาหล่เงเลี่ยงไม่ได้ห้ามไม่ได้ถ้าอยากไม่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับมันทั้งนั้น พยายามรับความเจ็บได้รับความตายเขารับมันตายแต่เราก็อยู่กินอยู่ของเราตามปกติไปจะไม่กินก็ไม่ห้ามก็ได้แต่มันไม่ได้มันไม่ได้กิเลนไม่ได้ตายเพราะไม่ได้เก็บความกลัวไม่ได้ตายเพราะความไม่เก็บแต่ถ้าที่ว่ากินไปก็เสเวลากินไปเดี๋ยวมันต้องตายดีก็ยอมอดไปแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายปัญหามันอยู่ที่ใจความทุกข์มันเกิดจากความอยากอยากอยู่อยากไม่ตายอยากยังไม่เจ็บ ตอนนี้ต้องไปแก้ที่ตัวนี้ถ้าแก้แล้วจะกินกนจะไม่กินก็ไม่เป็นปัญหาครับกินก็ได้ไม่กินก็ได้ไม่งั้นมันก็ตายอยู่ดีแต่จะไม่ไปไม่ทําให้มันตายเว่ามันยังอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปเมื่อมันจะตายเขาไม่ไปยักยั้งมันก็ปล่อยมันตายหรือต้องปล่อยวางทั้งสองฐานคุณวินิตครับ พอดีผมฟังพระอาจารย์มาแล้วก็ลองนั่งสมาธิดูประมาณปีห้าหกแต่ช่วงนั้นผมนั่งได้แล้วก็ได้ปิติใส่ปากแล้วรู้สึกว่าเบาตัวแต่ทุกวันนี้นั่งแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยครับต้องทํายังไงบ้างครับฝากถามพระอาจารย์ด้วยครับก็ทําแบบที่เราเคยทำํำทำที่เราได้ปิติจนานําได้ไหมว่าเราได้เพราะอะไรอย่างไรโดยหลักก็คือก็ต้องมีสติกากับใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับคำอะไรคำพูท่าพูดเท่าไปได้อยู่กับการดูลองหาายใจไปเท่านั้นเอง แล้วก็อย่าไปอยากให้มันเกิดปติบีร์เหมือนคราวที่แล้วเพราะปติบีร์นี้มันอาจจะไม่เกิดทุกครั้งไปแต่สิ่งที่เราต้องที่สิ่งที่จะเกิดถ้าเรามีสติก็คืออัปปนาสมาธิจิตสงบนิ่งเย็นเบาสบายรือุเบกขานี้ภามสุขอันนี้มันจะเกิดถ้าเรามีสติสามารถควบคุมจิตให้มันหยุดคิดปูแต่งได้อย่างเต็มที่ก็ต้องฝึกสติแล้วก็นั่งบ่อยๆ ฝึกสติให้มากตั้งแต่เต็มจนหลับเรต้องฝึกสติก่อนมานั่งต้องมีสติให้มากๆถ้ามีสติไม่มากนั่งไปก็ไม่สงบใจก็ยังหยุดหคิดไม่ได้คุณนัชชาครับน้องชายเพิ่งเสียชีวิตได้สองสัปดาห์ทางครอบครัวควรทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ถึงแก่ดวงวิญ ญ, ญาณ น, น้องชายได้อย่างไรบ้างคะก็จะทำบุญทั่วไปเนีย่ยทางเนี่ย ไว้จะเงินทองให้กับวัดให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลหรืออะไรก็ได้ใส่บาทพระถวายทัท้งนทานสร้างบุตรสร้างโบสถ์อะไรแล้วแต่คือการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าความเมินทองของเราไปแล้วก็สามารถแบ่งบุญที่เราได้จากการทําบุญนี้ให้กับผู้รับไปได้แต่ผู้รับนี้จะรอรับอยู่หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสถานภาพถ้าเขามีบุญมากพอเขาก็ไม่มงรอรับบุญ แต่ถ้าเขาเป็นขอทางทางจิตเวิญญาณไม่มีบุญก็าอาจจะมารอรับส่วนบุญที่เราทิ้งไปก็ได้คุณกานิกาครับคําว่ากรรมมาตัดรอนจากกรณีที่เด็กๆ เ, เสียชีวิตเป็นเพราะเขามีบุญมาแค่นี้หรือมีบุญแต่กรรมหนักมากกว่าทําให้ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรคะคือการสิ้นสุดของชีวิตนี่มันมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันไม่ใช่เพราะแต่เรื่องกรรม บมันก็เป็นเรื่องสุดวิสยัยเรื่องอุบัติเหตุนี่มันไม่เกี่ยวกับกรรมแต่มันก็ทําให้ชีวิตตายได้ดังนัน้ถ้าเราอยากจะสรุปสรุว่ารวมทั้งหมดเป็นกรรมก็ได้นะแต่มันอาจจะแบบพูดแบบเมาไปเพื่อเพราะเราไม่รู้รยายละเอียดจริงๆแล้วก็เลยไม่สามารถวิเคราะ์ได้ว่าคนนี้ตายเพราะกรรมหรือว่าตายเพราะอุบัติเหตุหรือตายเพราะอะไร ก็ถือว่าตายก็ตายกันทุกคนทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายมีแต่ตายก่อนตายหลังตายช้าตายเร็วก็ต้องตายเหมืกันทุกคนเหตุที่ทําให้มาตายก็เพราะการเกิดนี่ทําให้เกิดก็ไม่มีการตายงั้นเราไปแก้ที่ตัวเหตุสําคัญคือการมาเกิดดีกว่าเหตุที่พายเรามาเกิดก็คือความอยากนั่นเองความอยากครับความสุขอยากหน้ด้วยสียงเสียงจากรูปเสียงกลิ่น เราต้องตัดความอยากตัวนี้ให้ได้แล้วเราก็จะไม่กลับมาเกิดได้ก็มไม่เกิดแเราก็ไม่ไม่ตายไม่ต้องต้องหมด ว, ว่าตายเพราะอะไรตายเพราะกรรมหนักกรรมเบาเนื้อมันพระพุทธเจ้าบอกเรื่องกรรมที่ไม่เป็นอจจิตรายของพุทธชฌเพราะมันมันมีหลายมันทํากรรมมาหลายวาระด้วยกันใช่ไหมคนเราแต่ละคนวันวันหนึ่งมันทํากรรมกี่แบบมันก็ไม่รู้บางทีก็กรรมดีบางทีก็กรรมไม่ดี มันก็สะสมเข้าไว้ในจิตในใจแล้วไม่ต้องไปวิเคราะห์เรื่องกรรมนะกรรมนี้เป็นเรื่องที่ให้รู้ไปข้าวๆแล้วกันว่าทําดีแล้วมีความสุขทําไม่ดีแล้วจะมีความทุกข์คุณทรงธรรมครับถ้าเราฆ่าสัตว์โดยที่ไม่รู้ตัวจะบาปไหมคะไม่มีเจตนาไม่บาปอ่าเนรคุณไปสุนัขวิ่งตามหน้าประธานหานเนี่ยเบรกไม่ทําจนมันตายเนี่ย ไม่บาปนะเพราะเราไม่มีเจตนาเป็นอุบัติเหตุเื่งสุดวิสัยหาคาถามสักครู่นะครับอาจารย์คุณม u l ติเว r s a l Unity ้ครับขอโอกาสครับพระพุทธเจ้าที่เข้าอนุปาทิเศตนิพานแล้วถ้าท่านจระดึกชาติท่านระลึกได้หรือไม่ครับคือการระลึกชาตินี่มันเป็นความรู้ความสามารถพิเศษ สำหรับท HTML ่านที่ได้อุปจารสมาธิถึงจะมีความสามารถที่จะลุกชาติได้แต่การเป็นพระอรหันต์นี้ไม่จําเป็นที่จะต้องลุกชาติได้ทําจะเป็นพระพุทธเจ้านี้ไม่จําเป็นต้องลุกชาติได้เพียงแต่กําจัดกิเลสเมื่อนาสังยุตทั้งเสียงได้ก็ก็เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ได้การบางคนที่ไม่ไม่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเป็นพระอรหันต์ก็สามารถแบบ ราลึกช้าได้กัน เ, เพราะมันมันทำระดับสมาธิอภิญญานี่ ม, นมันทำระดับสมาธิคือเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอุปจาระสมาธิอุปจาระสมาธินี้ท่านบอกว่าต้องผ่านอัปปนาสมาธิก่อนถึงจะออกไปทางอุอปจาระสมาธิได้พออยู่อุปจาระสมาธิก็จะมีอภิญญาคามสามารถพิเศษเช่นอ่านวาลจิตของผู้ได้ ติดต่อกายทิพได้และลึกชาญได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ทราบว่าจะได้ทั้งหมดพร้อมกันหรืปลาก็ไม่ได้นะอาจจะได้บางอย่างอาจจะไม่ได้บางอย่างก็ได้อันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบแต่เท่าที่ได้ยินได้ฟังอย่างหลวงปู่ันเนี่ยท่านบอกว่าท่านติดต่อเทวดาได้ท่านแสดงทําให้เทวดาได้แล้วอ่านวาลังจิตของของผู้ฟังทำได้เวลาท่าน ท่านอยู่ใกลใ้ในท่านจะหมือนกับเปิดเครื่องรับวทิทยุความที่ของเรานี้เป็นเหมือนการส่งภาษาวิทยุส่งภาษาสัญญาณวิทยุมันก็กระจายเสียงเงี้ยใจของเรานี้เป็นเหมือนกับสถานีกระจายเสียงใครมีเครื่องรับก็สามารถรับรู้ได้ว่าเรากำลังคิดเรื่องอะไรหลวงปู่ม่าในท่านอะรับความคิดได้ถ้าในประวัติของท่านที่จะมีเรื่องเล่าอยูเรื่องว่าท่านไปภาวนานอยู่ที่ถ้ำซาลิกา ถ้าท่านภาคอยู่ข้างบนแล้วมีไพร่รูปหนึ่งท่านมาปฏิบัติไม่รู้จักกันท่านมาพาคอยู่ข้างล่างตอนกลางคืนหลวงปู่ม่านบ อ, อกท่านส่งจิตไปดูที่จิตของมพรารูปนี้กำลังทำอะไรอยู่ก็เห็นว่าท่านกําลังคิดกังวลเกี่ยวกับเรื่องลูกเมียอยู่ตอนเช้าท่านก็พูดเปิดๆว่าลูกนมียเขาก็อยู่ของเขาดีๆแล้วเราไปยุ่งเอาทําไมเขาพูดท่นานน่ะพาลูกนั้นหนีเลย ไม่อยู่ใกล้รู้จิตใจเนี่ยรู้เรื่องของเรารู้ว่าเราคิดอะไรอยู่ครับอันนี้ก็เป็นแต่ไม่ทราบไม่เคยได้ยินว่าท่านเล่าเรื่องการาระลึกชาติได้ไม่เคยได้แต่ไม่ทราบว่าเรื่องเหลนี้ท่านมักจะไม่เล่าให้กับคนทั่วไปเพราะมันเป็นเรื่องที่มันไม่เป็นนักเป็นผลเลาไปแล้วอาจจะทําให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นนักเป็นผลขึ้นมาท่านยังอาจจะไม่เล่า อยากจะเล่ากับผู้คนที่ใกล้ชิดแล้วรู้เรื่องหลักธรรมแล้วรู้ว่านี่เป็นเรื่องของแถมของของแต่ไม่ใช่เป็นตัวเนื้อหาสาระที่เราควรจะให้ความสาคัญคุณรังครับคนป่วยอัลไซเมอร์สามารถปฏิบัติธรรมอย่างไรได้บ้างครับคงยากไม่รู้อะไ ร, รจำอะไรไม่ได้มันก็จำพุทธไม่ได้มนก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้ คุณสุภาพรครับถ้าตั้งใจว่าทําความดีแล้วมีอุปสรรคต้องใช้อะไรจึงจะผ่านมันไปได้คะความพยายามอยที่ไหนความสาเร็จอยูทนั่นต้องมีความพยายามแล้วก็มีความอดทนคือต้องมีทำสี่ข้อคืออธิษฐานสัจจะอธิษฐานก่อนสองข้อแรกก่อนคือต้องมีความนั่งใจว่าเราจะทําความดีแล้วก็มีสัจจะคือความจริงใจไม่ใช่ตั้งไม่เฉยเฉก็โก้โก ปีใหม่เราไม่ใช่ชอบตั้งกันนะครับปีนี้จะไม่สูบบุหเลยแล้วจ ะ, จะไม่ดื่มสุราแล้วจะไม่อะไรนะตั้งไปโค้กๆพอถึงเวลาอยากจะดื่มขึ้นมาอดไม่ได้กลับไปดื่มอย่าง <c oughs> นี้ก็ารแสดงว่าไม่มีศัจจานิฐานที่มั่นคงสัจจานิจะเป็นตัวทําให้อธิษฐานคือความนั่งใจเรามั่นคง <c oughs> ต้องมีสัจจานิฐานแล้วก็ยังต้องมีความเพียรพยายามทําในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำ ถึงเวลาก็ต้องทํางทีก็ขี้เกียจยังไม่ว่างบ้างทำนู่นทํานี่บ้างคือไม่ไม่เริ่มจะทําแต่ยงตอนนี้ยังไม่ว่างมีข้ออ้างไปเรื่อยๆอีกข้อหนึ่งก็บาทีเจอความยากลำบากก็ไม่มีความอดทนก็ทําไม่ได้ยอมแพ้อันนี้ต้องมีสี่ข้อนี้มีสัจจะอธิษฐานแล้วก็มีความเพียรวิริยะแล้วก็มีขันติความอดทน ถ้ามีทำสี่ข้อนี้แล้วนะตั้งใจจะทําอะไรมักจะสําเร็จคุณพ ร, รัตครับอยากถามว่าการใช้ความรักอย่างมีสติละลายความโกรธเกลียดในใจตนเองทําให้เราสามารถลดอคติวางอิทธิและเปิดใจรับสิ่งใหม่ที่ดีได้อย่างไรครับความรักต้องเป็นความรักแบบเมตตาคือนักแบบที่เราไม่ไปครอบงาสิ่งบุคคลที่เรารัก ไปรักเขาเราหวังผลตอบแทนจากเขานี่ไม่ได้ร่านแบบนี้ไม่ได้เพราพอไม่ได้รับผลตอบแทนความน่จาจะกลายเป็นความเกลียดขึ้นมานันทีใช่ไหมทำรนรางไข่เอาไว้เราทําดีกับเขาทุกอย่างทําอะไรก็แต่พอเขาไม่ไม่ดีกับเราเพงีงครั้งเดียวเนยโเราเสียใจโกอธเขาขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราทําด้วยความเมตตาเราจะไม่มีความเสียใจเพราะเราไม่ได้หวังผลตอบแทนจากไข่เราทําเพราะเรามีความสุขจากการที่เรา ทำความดีกับผู้ต้องมีเมตตาต้องรักแบบเมตตาอยากไปรักแบบเอาเขามาเป็นสมบัติของเรามาครอบครองมาให้มีผลตอบแทนจากเขาต้องรักแบบเมตตาไม่ต้องการผลตอบแทนอะไรจากผู้ที่เราให้ความเมตตาด้วยคุณอีฟครับถ้าเราต้องทำงานอยู่เราจะต้องทำอย่างไรให้เกิดสมดุลระหว่างทางโลกและทางธรรมเจ้าคะ ก็ทางโลกมีทํามีงานเท่าไหร่ต้องทําก็ทําไปสิเราไม่ได้ทําแต่งานอย่างเดียวไม่ใช่ <c oughs> นอกจากออกจากงานแล้วเมื่อเวลาไม่ทํางานแล้วก็ยังไปทำเรื่องเรื่องอื่นที่เราก็ต้องมาวิเคราะห์อยู่ว่ามันจําเป็นต้องทํำไหมถ้าไม่ทำเอามาเอามาให้กับการทําทําไม่ดีกว่าเช่นการไปหาความสุขทางโลกเนี้ไปหามันทําไมความสุขทางโลกนี้มันเป็นเัญญอนยาเสพติด เ, เสียเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอตัดความสุข กิจกรรมทางทางโลกทางนี้ไปมันไม่จําเป็นต้องทําะงานที่จําเป็นต้องทําก็คือการทํางานหารายได้มาอันนี้จําเป็นเพราะเราต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกคนต้องมีรายได้อันนี้ตัดไม่ได้งานอื่นเราตัดได้งานทางโลกทางอื่นใช้งานบันเทิงงานช้อปปิง้งงานใช้ของฟุ่มเฟือยอนะไรต่างๆของหรูหลาอะไรนี้เป็นงานที่เราตัดได้เราตัดงานเหล่านี้ไปแล้วเราจะได้เอาเวลามา ทำงานในทางทรรได้ไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีเวลาให้กับทํามธรรมเลยเพราะตัาแต่เราเกิดมาเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องของทธรรมธรรมมาก่อนเวลาที่เรามีทั้งหมดเราจะแบ่งไปให้กับทางโลกหมดเลยแต่ตอนนี้เราได้มาศึกษาแล้วเราเห็นคุณค่าของการทํางานทางธรรมเราก็ต้องจัดสรรเวลาให้กับการทําธรรมด้วยการตัดงานทางโลกไปที่ไม่จําเป็นทานที่ยังจําเป็นต้องทำก็ต้องทําต่อไปทางโลกนะ งานทางโลกที่ไม่จําเป็นก็ตัดออกไปถึงแม้ถือสีแปดไงสีแปดนี่เป็นการตัดงานทางทางโลกที่ไม่จําเป็นออกไปเช่นนุ่มหลับนอนกับแฟนก็ไม่จําเป็นใช่ไหมไม่ตายใช่ไหมถ้าไม่ได้นุ่มหลับนอนกัแฟนไม่ได้กินอาหารวันละสามื้อก็ไม่ตายกินแค่มื้อสองมื้อก็อยู่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้มีพวกบันเทิงต่างๆมาให้ดูไม่เรื่องการสวยความงาม การต่ า, ต า, ตาตการใช้ของของหรูหลราของแบรนด์อะไร น, นั่นต่างนี้มันไม่จําเป็นก็ตัำลงไปมันอยู่ในสินข้อแปดสินแปดในสินข้อเจ็ดสินข้อแปดก็ไม่ต้องนอนบนเตียงมโหราที่สุขที่สบายเกินความจำเป็นนอนบนพืนแข็งๆเวลาง่วงยิงๆมันก็หลับได้เอนกันแต่มันจะนอนไม่มากมันนอนพอร่ากายได้พักผ่อนพอมันก็จะเตืกนแต่ถ้านอนบนเตียงที่สบายนี้ พอร่างกายได้พักผ่อนพอเติ่นขนมาใจไม่อยากจะลบุบเพราะมันแสนสบายพอนอนต่อ ย, ยิ่มมันม่จะเสียเวลาเอาหมดไปกับการนอนที่ไม่จำเป็นเอาเวลามาให้กับทำๆไม่ได้ถ้าเราปล่อยนอนแบบนี้นอนจริงๆรง่างกายต้องการพักผ่อนคือยงแ 4-5 ชั่วโมงก็พอแล้วคุณธยุธครับนรัสการ์ครับ เกี่ยวกับการฝึกเจริญสติระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันในที่ปลอดภัยครับตัวอย่างครับก็ชีวิตประจำวันนี่เราเจริญสติในตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเราอยู่ในห้องนอนก็ปลอดภยัยอยู่ในบ้านก็ปลอดภยัยขณะที่เราทำงานต่างๆในบ้านใี่เราเจริญสติได้คือให้เราบริกรรมพูดโทรไปพกคู่ไปกับการทำงาน ต, ต่างๆในบ้านก็ได้ เนื้อให้เราเฝ้าดูการกระทํางานแต่ละชิ้นไปขณะทุกขณะเวลาอาบน้ําก็เฝ้าดูการอามน้ําไปรับประทานอาหารก็เฝ้าดูการรับประทานอาหารไปนี่คือในการเจริญสติในชีวิตประจําวันในที่ปลอดภัยเราไม่เราไม่ต้องไปที่มันอันตรายหรอกการเจริญสติไม่มีความจําเป็นจะต้องไปที่อันตรายเนะสำหรับผู้เบืเ้องต้นแต่สำหรับผู้ที่ต้องการที่ให้สติมันแบบกระชับแบบ เต็มที่เลยเต็มน้อยเลยบางทีต้องไปอยู่ในที่มันอันตรายเพราะมันจะบังคับเราให้มีสติมากขึ้นอย่างคุณหมอไปอยู่บนเขาต่างกับการอยู่ที่บ้านเนี่ยต่างมากเลยครับการฝึกสติมันต่างกันนะต่างกันมากเลยครับเพราะสิ่งแวดล้อมมันไม่ไม่เหมือนกันที่บ้านมันปลอดภัยมันก็จัดจัดสติได้น้อยกว่าการที่เราไปอยู่ที่มันไม่ปลอดภัยเนี่เราก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่าเราต้องการอะไรต้องกาสติมากแล้วก็ต้อง ยอมกล้าเสี่ยงกับการเสียชีวิตเน้อก็จะภ่ายต่างๆตั้งแต่ที่ก่อนจากการเอาไปอยู่ในป่าในเขาอันนี้เป็นต้นครับจนจนตอนนี้เดินนี่ยังยังพูดโทได้อยู่เลยครับอาจารย์ตั้งแต่ตอนที่เดินบนเขานะครับอาารติดเป็นนิสัยมาจนถึงวันนี้แล้วครับได้ประโยชน์มากๆครับนี่คุณซ <Okay. S 1> ุกตาครับ หนูนั่งสมาธิแล้วติดตรงลมหายใจหายไปแล้วหนูตกใจได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงและเร็วค่ะพอครั้งต่อๆมามันรู้ว่าจะเกิดอาการนี้พอลมหายใจค่อยๆเบาลงมันยื้อกันเลยค่ะไม่ยอมปล่อยพยายามหายใจนึกพุทโธพุทโธก็ไม่ปล่อยค่ะก็เราใช้พุทโธอย่างเดียวดูแทนอย่าไปดูลมหายใจดวูว่ามันเป็นยังไงอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆ ไม่ต้องไปกังวลกันเรื่องลมหายใจแล้วอยู่ลมหายใจแล้วมันมีปฏิจิริยาก็อย่าไปใช้ในการอยู่ลมหายใจเปลี่ยนวิธีใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่องบริกรรมคำอื่นก็ได้ถ้าเราไม่ชอบพุทโธบริกรรมคาว่าตายตายตายก็ได้เรื่อบริกรรมคำว่าพุทโธธรรมโมสามโคลก็ได้อานิจจาก็ได้น่าแต่แทนที่จะใช้การอยู่ลม พอเราดูลมเราเราจะมีปฏิปิริยากับมันไม่ได้อยู่เฉยๆ แ, แล้วสติเรายังมีกำลังน้อยไม่ขอที่จะไปะย้ำๆปฏิปิริยาของใจต่อเราลงาหายใจได้ก็ <c oughs> ต้องใช้ใช้พุทโธเมื่อก่อนจะมานั่งต้องเจรตสติให้มากกว่านี้ก็ได้สติเรามีกำลังน้อยต้องพยายามฝึกสติให้มากกว่าก่อนที่จะมานั่งสมาธิ อาจารย์ครับตอนที่อยู่บนเขาหลวงพี่ท่านเดินบนเขาตอนก็ไม่เปิดไปฉายบอกว่าครัอาจารย์ไม่เปิดไปฉายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสติใช่ไหมครับอาจารย์ก็มันมันมันเมื่ดก็ยิ่งต้องระวังอย่างเใหญะ <laughs> ไปจอยใจลอยไม่ได้แถ้ามันสว่างมันก็เดินไปนไปจะใจลอยดูนั่นดูนี้คิดแถวนั้นคิดแถว น, น, น, น, น, นี้ไม่ได้อยู่กับการเ น, นตลอดเวลาแต่ถ้ามันมืดมันเห็นแบบมันไม่เมื่ดสนิทมันพอจะเห็นแต่มันไม่ชัดเจนเหมือนกับการฉายไฟ มันก็แต่เราก็ใชนะ้เนแต่เราไมนะ่ได้ใช้ตลอดเวลาเดินไปทักสี่ห้าเก้าประชัยแล้วนึเหอยู่ข้างหน้ามัามีอะไรไหมแล้วก็ดับแล้วก็เดินต่อไปถ้าพอไปถึงจุดนึงก็ใช้ใหม่เพื่อประหยัดแฟเพื่ อ, อเพื่ อ, อประหยัดถานไม่งั้นต้องต้องใช้ถานเปลี่ยนถาดบ่อยมันต้องรู้จักใช้ไฟฉายให้มันใช้ได้ทานนานเพราะมันไม่จําเป็นที่ต้องปเปิดตลอดเวลาใช่ไนหะมยังจะใช้ไปข้างหน้าดูหน่อยเรามีไม่มีอะไรข้างหน้าแบบไม่มีแล้วก็ดับแล้วก็เดิน เอาไปเทงจุดปลายของแสงแล้วก็เปิดใหม่ดูไว้ทั้งหน้ามีอะไรหรือเปล่ <c oughs> <c oughs> คุณอ น, นันต์ครับน้ำพสการพระจารยร์ครับเคยนั่งสมาธิภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆมีสติอยู่กับพุทโธมีสติรู้เท่าทานอารมณ์ความคิดนึกปรุงแต่งนั่งจ น, จนจิตสงบมากเห็นความเกิดดับตลอดสายจนเกิดสภาวะเหมือนจิตถูกดึงผ่านมิติอะไรสักอย่างอย่างรุนแรง จากอากาศร้อนๆผ่านสภาวะที่เย็นเฉียบแล้วไปสุดที่ความว่างสว่างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจิตมีความสุขอย่างที่ไม่มีอะไรเปรียบนี่คือสภาวะอะไรครับทําแบบนี้ได้ประมาณห้าครั้งหลังจากนั้นก็เข้าไม่ได้อีกได้แต่ขั้นแค่ถึงปิติเท่านั้นควรทําอย่างไรต่อไปครับก็ทําแบบเดิมต่อไปต้องพูดโทอย่างเดียวต่อไปอย่าไปคิดอะไรอ ย, อย่าไปอยากให้มันถึงจุดนั้นความอยากจะให้ถึงจุดนั้นมันจะทําให้เราไม่พูดโธนะ ให้เราพุทโธต่ที่ไม่มีความคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกเดี๋ยวมันก็เข้าไปที่จุดนั้นได้เหมือนเดคุณเอลตาครับกลับเรียนถามอาจารย์เจ้าค่ะหากเรานั่งสมาธิโดยไม่ได้กำหนดเวลาได้ไหมคะนั่งไปเรื่อยๆดูลมหายใจหากจิตฟุ้งใช้กำหนดบริกรรมพุทโธพุทโธรู้สึกจิตเบาว่างเราควรจะออกจากสมาธิช่วงไหนดีคะพูดตามความจริงจการปฏิบัติจริงๆเราไม่กาหนดเวลา เราจะนั่งให้มานานที่สุดท่าที่จะนานได้มันจะออกมาก็ปล่อยให้มันออกมาเถ้ามันยังไม่ออกมามันใชกหมดนั่นนี่ก็ปล่อยมันนี่ไปจนกว่ามันอยากจะออกมาอันนี้เป็นการปฏิบัติแตบผู้ที่ไม่มีภาระภาระผูกพันกับเรื่องอื่นแต่สำหรับญาติโยมนี่อาจจะมีภาระผูกพันจะต้องไปทํางานจะต้องไปติดต่อคนให้คนนี้ก็อาจจะเป็นจะต้องตั้งเวลาเพราะไมงั้นเดี๋ยวเสียงงานเสี่ยงการได้ แต่สำหรับพระที่ปฏิบัติตามป่าทางเขานี่ถ้าไม่รู้จะไปนัดพบเจอใครถ้าไม่มีเวลานอกจากเวลาตอนเช้าไปบินธาบาเวลาเดียวที่ท่านเราต้องคอยคำนึงถึงเวลาท่านนั่งสมาธิก็ต้องคำนึงมาเ่าต้องไปบินธบานะช่วงนั้นท่านก็จะนั่งไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ยาวเกินไปเพราเดี๋ยวถึงเลยเวลาบินธาบาเรื่องจะอดขค้าว คุณสมพรครับทําไมบางวันสวดมนรรมต์ทำวัดเย็นแล้วใจไม่โปร่งใจไม่โล่งเบาหรือว่าโยมหักโหม ฝ, ฝ่าฝืนเหนื่อยเกินไปจึงทําให้จิตใจไม่โล่งโปร่งเบาหรือว่าเป็นธรรมดาของจิตมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้เราไม่สามารถให้จิตใจเป็นดังที่เราต้องการน้อมกับขอคําแนะนําครับขึ้นอยู่ว่าเราสวด ม, มีสติมากน้อยเท่าไหร่ถ้าสวดไม่ค่อยมีสติสวดไปคิดไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กับควบคู่ไปกับการสวดมันก็จะไม่ไม่ได้ แต่ถ้าอยู่กับการสวดอย่างเดียวไม่มีเรื่องอะไรมาสร้างเลยมันก็จะได้ผลมากกว่างั้นอยู่ที่ตัวสติเนี่ยเป็นตัวกาหนดว่าผลจะดีหรือไม่ดีคุณน้องหลินครับสอบถามเจ้าค่ะปราบกิเลสเหมือนทําสงครามเลยเจ้าค่ะต้องทําตัวให้ต่ําๆหนูคิดถูกไหมเจ้าคะใช่กิเลสมันชอบยกตัวให้สูงเราก็ต้องพยายามฝืนมันในการทําตัวเราให้ต่ำ พอทำตัวให้ต่ำงลจะไม่มีปัญหากับใครทำตัวให้สูงแล้วมั่งจะถูกเขาเป็นเป้าให้เขายิงได้ง่ายคนจะหมัดไส้มันจะคนจะเกียดจะชังคนที่ยกตัวให้แดกของคนนึ่นนักศาสานาสอนว่าใหอออออ้อ่อนน้อมถ่อมอ่อนน้อมถ่อมตนทําตัวให้เป็นเหมือนปฏิปีทําตัวให้เป็นเหมือนแจ๋วเป็นคนรับใช้ครับ okay. กิเลสมันชาบอวดเก่งอวดดีอันนี้กิเลสมันเป็นของปลอมมันไม่มีจริงอ่ะเราไม่มีตัวตนนะพรไปสร้างตัวตำนานนี่ก็ถ้าเราไปสร้างความจ้าให้กับใจโดยใช่ท น, น, นั้นเองการทาไม่มีตัวตนนั่นดีไม่ให้ใครก็รู้สึกว่าเราอยู่ในห้องนั้นเลยอยู่กับเขาแต่เหมืนก็นเป็นต้นไม้เป็นเหมือนเปนก็นถา ม, ต, มาต้นไม้แล้วเป็นโต๊ะเก้าอี้ไปได้สบายไม่มีใครเขามายุ่งกับเรา คุณแพทย์ครับพี่มักกาบเรียนถามค่ะชอบพี่มัดชอบประชดประชันตัวเองพยายามคิดว่าการกระทำของเขาเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้แต่ก็ช่วยไม่ได้เท่าไหร่รู้สึกเบื่อมากและลำคาญจะต้องเจอแบบนี้บ่อยๆควรปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะก็เวลาที่เขาทำที่เราไม่ชมอบเราพยายามทำพุโทโธพุโทโธเพราะว่าใจเราขาดสติ ขาดอุเบกขาเราต้องเติมสติเติมอุเบขาให้ใจมีอุเบกขาแล้วใจก็จะเม่งเฉยได้แต่อย่าไปทําตอนที่เขาทําะถ้าเราไม่ซ้อมไว้ก่อนอเวลาเราทําไม่ออกนักฮัตซ้อมทําพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆตั้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนนักชกมวยเหรอนักมวยถ้าไม่ซ้อมชกก่อนเวลาไปชกน บ, นบนเวทีก็ถูกข้อนอกครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันอย่าไปใช้พุโทโธตอนที่เกิดเหตุการณ์แล้ว มันจะสายกันไปเพราะว่าเราจะพูดโธไม่ออกงั้นเราต้อหพูดโธไว้ก่อนท่อมไว้ก่อนพอถึงเจอเหตุการณ์จริงให้มาเราก็จะได้ทําพูทโธพูดโธพอเราทําพูดโธได้เราก็จะไม่ไปนึกถึงเขาวอนเราไม่มีเป็นเขาใจเราก็ไม่เดือดร้อนเขาคการกระทําของครับคุณภูมิครับกาบนรัมสการครับพระอาจารย์ถ้าผมพิจารณาอสุภะด้วยการเห็นร่างกายผู้อื่นเป็นของเน่าของเหม็นได้ทันที หรือบางครั้งถ้าไม่ทันตั้งตัวได้จริงๆเราจะไม่เอาสายตาเราไปมองเวลาเดินไปไหนมาไหนแบบนี้ถือว่าช่วยรักษ า, าได้ไหมครับหรือมีอุบายอย่างไรให้เราสามารถใช้อสุภะได้ทันท่วงทีครับก็แน่นันพยายามมองร่างกายให้เห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามในลักษณะต่างๆเว ล, ล่างกายเป็นสร้างศพหรือเวลาผ่าตัดร่างกายอ่าดูชึ้งส่วนต่างๆเอาไว้ย้อนต่างๆไปในร่างกายนะครับ เราก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามขอ ง, งร่างกายมันก็จะมาลบน้ําเวลาที่เราไปเห็นส่วนที่สวยงามได้มีคุณเอกถามบอกว่าอยากปรึกษาธรรมที่พระเจ้าชูดอกบัวแล้วมีแต่พระมหากรสปะที่ยิ้มเหมือนเข้าใจอยู่องคเดียวหมายความว่าอย่างไรครับพระอาจารย์อันนี้ก็ไม่ทราบผมเพิ่งได้ยินวันนี้ไม่เคยไื่องก็ได้ศึกษาแล้วเรื่องราวต่างๆมากเกินกว่า จำเป็นที่ต้องรู้อันนี้ก็เลยไม่ทราบเหมือนกันไ ม, ไม่ไม่กล้าตอบครับคุณสมพรครับปุตราชายพระอาจารย์วันคล้ายวันเกิดโยมต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้างครับปฏิบัติเพื่อแม่กลับมาเกิดปฏิบัติอย่างไงกะรับความโลภกับโกรธความหลงดยการทําทานเอาเงินทองที่เรารักเราหวงเนี่ยอไปทําทานให้หมดน เราจะตัดเส้นทางของการเก่ามาเกิดเราจะได้ไม่ต้องมาตา ย, ยาตกันต่อไปแล้วไม่ใช่ทานอย่างเดียวเสียหน้นรารักษาภาวนาก็ต้องทำงั้นในวันแกิดก็ลองลาหยุดอย่างวันแล้วก็ไปอยู่วัดอย่างที่เป็นหมอไปอยู่วัดเขาอย่างเงี้ยแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งคัดหนึ่งวันเป็นวิเ ว, วอยู่คนเดียวครับคุณปุ้ยครับน้ำมัศ ก, การค่ะพระอาจารย์วันนี้ขอโอกาส ถามเรื่องความไม่สม่ําเสมอในการสวดมนต์นั่งสมาธิค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะ <S <S ก็สติของเราเนี่ยไม่สม่ำเสมอเราไม่มีสติแล้วก็ไม่อยากจะนั่งนั่นก็ไม่ได้ผลสองความรรตั้งใจของเรามันไม่ไม่แน่แน่แนมันคงไม่มีศักดจากอธิษฐานถ้าเรามีความตั้งใจที่นแน่แน่มันคงเมถึงเวลาเราต้องทําทําได้มากได้น้อยไม่สําคัญต้องทำํำทันที มืนกินข้าวเนี่ยทำาห้เรากินข้าววันละสามมือไม่ได้ทำาห้เรานั่งสมาธิวันละครังไม่ได้มันมันแปลกนะครับเพราเราไม่มีความตั้งใจแน่ๆมันกับการกินข้าวนยการกินข้าวนี่บางทียังไม่ถึงเวลาเตรียมตัวไว้ก่อนการจะถึงเวลากินนะแต่เวลานั่งสมาธินี่กลับทำเปไม่รู้ไม่ชี้ไปคุณสุขทุกอยู่ที่ใจครับทุกขังในใจลัก ขอพ้าจ่าอธิบายส่วนนี้ด้วยครับท่านประธารครับก็เนี่ยแหะความทุกข์ในตายรักก็คือเราไปอยากในสิ่งที่มันไม่เที่ยงให้มันเที่ยงอยากให้ร่างกายมันอยู่ไปตลอดพอมันไม่อยู่ตลอดเราก็ทุกข์เราไปอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอมันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกข์เราไม่อยากให้มันตายพอมันตายเราก็ทุกข์เนี่ยเี่ยทุกข์ในตายรักเพราะไปอยากในสิ่งที่มันเป็นอนิจจให้มันเป็นอนิจจ แต่กให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงมันก็เลยทำคำตอบถูกแต่ล้าเราพิจารณาด้วยปัญญาอย่างรอบคอบไปเห็นว่าทํายังไงร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายห้ามมันไม่ได้ไม่มีใครห้ามได้ไม่แต่พระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ได้แล้วเราจะไปห้ามมันได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับความจริงนี้ท่านอะไรยอมรับความจริงแล้วก็หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราไม่ไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ไม่ทุก ทุกในในใจละตัวเดียวกับทุกในวิทยาศาสตร์รสิคุณสมพรครับการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่รู้ศัพท์ของธรรมะเราก็เอาความเข้าใจเอาคําพื้นพื้นไม่เอาศัพท์ลึกๆเพราะเข้าไม่ถึงคําศัพท์บางทีเอาความเข้าใจมาจับก็ถือว่าเข้าใจธรรมะได้เช่นเดียวกันอย่างนี้เข้าใจได้ถูกต้องแล้วหรือยังครับใช่ครับเราเข้าใจสิ่งที่เรากาลังทําว่าเป็นอะไรเท่านี้ เปน้อเข้าใจภาษาบาลีภาษาบาลีมันก็เป็นภาษาหนึ่งซึ่งเอามาแปลเป็นภาษาไทยกันกระทานั้นเองขอใหเราเข้าใจความหมายของคําที่เราเราใช้อยู่ว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรจังวีธนาเราเข้าใจคือความรู้สึกเราจะใช้คําคําว่าคํารู้สึกแทนจังวีธนาก็ได้คุณแสงระวีครับในฐานะผู้ที่กําลังฝึกกาลังปฏิบัติ ควรแนะนําผู้ที่มีความเห็นไม่ตรงโดยใช้หลักพรมวิหารสี่ใหม่คะหรือควรเป็นผู้เป็นแค่ผู้ดูครับเพราการจะไปแนะนําผู้อื น, นี่ต้องอยู่ที่ว่าเขาเขาขอให้เราแนะนําหรือไม่ถ้าไม่เขาแนะนําก็อย่าไปยุ่งเขาดีากว่านะเขามาขอคําป ร, รึกษาว่าพี่ช่วยแนะนําหน่อยสิว่าทำนี้ทํำยังไงเะก็บอกเข้าไปนะ แต่ถ้าก็ไม่ไม่มาขอาก็อยากไปพูดเพราะเราไม่รู้เขาอาจจะไม่ยินดีกับการแนะนําของเราก็ได้แนะนําไปแล้วก็จะรอเขาด่าเข้ามาก็ได้ไม่ยุ่กับชีวิตของเราทำไมคุณก้องครับผู้อารย์ขอรับมารมารดาห่วงปลาที่อยู่ในบ่อว่าจะมีคนขโมยทําอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์ครับใครไม่ทุกข์คุณไม่ว่าแม่ ท้าสําหรับถ้าคุณทุกก็บอกมันไม่ใช่ปาปของคุณมันบาปของแม่เขามันมันมันไม่ได้เป็นของคุณถ้าคุณเชื่อว่าไม่เป็นของคุณแล้วคุณก็จะไม่ทุกข์เวลามันหายไปไม่ไม่หายไปเของอะไรที่ไม่ใช่เป็นของเราเราไม่ไม่ทุกข์ใช่ไหมเช่นมือถือของคนหนึ่งก็หายไปเข้ามาไล่เพราะว่ามือถือของหายไปหายก็หายมันไม่ใช่ของผมสักหน่อยไม่ได้เดือดรอไมวิธีไม่ทุกข์ก็เกิดบองว่าทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเรา ไปของแม่ไปถ้าแม่ทุกข์ก็เปเรื่องของแม่ไปถ้าแม่เขาไม่มาขอความช่วยเหลือให้ว่าวิธีทําให้ไม่ทุกข์ทำยังไงแล้วถ้าทาอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้แม่ทุกข์ไป okay. คุณพีเคครับการนรัฐการพระอาจารย์ครับหมอที่เอาเวลาว่างในโรงพยาบาลรัฐไปทํางานที่อื่นในเวลาราชการถือว่าผิดศีลไหมครับแต่ถ้าว่าตามกฎถือว่าผิดครับอ่าผิดก็ผิดแต่ถ้เป็นขโมย เขามยเวลาของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวอาจจะไม่ทําอะไรก็ได้อาจจะไม่ไปทําอะไรก็ได้ก็ได้ขี้เกียจกลับไปนอนบ้านนี้ก็เอาเวลาราชการไปทักผอนหลับนอยก็ถือว่ามีการขโมยเวลาเวลาก็คือเงินเดือนนั่นเองใช่ไหมขโมยเงินเราไม่ได้ตอบแทนค่าจ้างอย่างสมบูรณ์เต็มร้อยก็ถ้า เ, เราขโมยเงินเดือน ด้วยความคิดนี้เลยครับอาจารย์ผมออกจากราชการเลยครับทำไมมันจะทำอย่างนี้กันเ่ยคือ <c oughs> คือ <c oughs> คื อ, ค อ, คอผมผมมีความรู้สึกไม่สบายใจเลยครับอาจารย์ที่เวลาถ้าเรายังต้องทำราชการแล้วต้องไปทำอย่างอื่นด้วยครับผมก็ผมก็เลยรู้สึกว่าผมผมออกดีกว่าโดยเอาเวลาโดยเอาเวลาราชการไปทำนี่ส่วนใหญ่ไม่ใช่เวลาราชการนะครับอาจารย์แต่เดี๋ยวมันยังมีอย่างตอนเที่ยงเนี้ยครับอาจารย์ อย่างเที่ยงเนี่ยคุณหมอก็ชอบไปเปิดคลินิกกันใช่ไหมครับพอไปเปิดเนี่ยบล็อกบล็อกลูกคล็อดอกนี่มันบ่ายโมงกว่าอย่างเงี้ยครับอาจารย์<น>บ่ายครึ่งแล้วอย่างนี้หน่ยมาออกเร็วหน่อยออกสิบโมงครึ้นก็นมาบ่ายโมงคึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ก็ข<น>โมยเวลาละไม่ทํางานให้เต็มที่ก็เลยสบายเพื่อความสบายใจผมออกดีกว่าตัดออกมาแล้วสบายใจเลยครับอาจารย์อย่างเราตอนที่เราเป็นคาราวานเราไปทํางานแล้ว เขาใช้เราให้ไปไปซื้อของให้กับบริษัทเราไปซื้อขอ ง, ร, อของร้านขายของก็จะให้เปอร์เซ็นต์เราของเราเอาไปเขียนบินเต็มที่แต่จะแต่จะให้เปอร์เซ็นต์ให้ใหเราวอกไม่เอาถ้าคุณให้เปอร์เซ็นต์คุณเอาเงินเปอร์เซ็นต์นี้หากเป็นค่ารถของมันดีกว่าเราเขียนตามบินที่ที่จ่ายไปเพราะว่าเราได้รับเงินเดือนพอแล้วนี่เราทํำงานให้กับบริษัทไม่ได้ทําให้กับตัวเลยเอเาไม่ค่าทํา จิตมันไมนซ้ำเป็นอย่างนั้นมาแล้วกันนะครับมันทําแล้วมันไม่สบายใจเอาเงินของคนอื่นเขาจา้างเรานะเขาให้เราเงินเดือนเร า, า, าแล้วมาทํางานน่าจะมาเอาเงินคอมมิชชั่นจากการซื้อขอ ง, ของครับตอนนั้นจะออกจากราชการนี้ก็คิดหนักนะครับอาจารย์ ม, ม, มันทุกอย่างมันสมบูรณ์หมดนะครับอยู่ในราชการครับแต่ออกมาแล้วสบายใจกว่าครับ คุณสมพรครับเวลาโยมนั่งสมาธิในช่วงที่นั่งมีการคิดนี่โน่นนั่นจิตกว่าจะนิ่งได้ต้องใช้เวลาพอเวลาพอมันคลิกปั๊บจิตค่อยๆเบาแต่น้อยและใช้เวลานานวันนี้โยมนั่งสมาธิได้15นาทีนั่งกับเพื่อนเพื่อนพุทธศาสนิกชนกลุ่มสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยกันในโบสถ์ที่วัดน้อมกับคําแนะนําพระอาจารย์เรื่องการนั่งสมาธิครับก็นี่แหละมันอยู่ที่การจัดนสติก่อนวันนั่น ถ้าเราไม่เจริญสติก่อนมันก็ต้องมาตั้งสติกันก่อนนึกสติกันก่อนพอจะได้ทั้งหมดเวลาไปพอสุขวยแต่ถ้าเราเจริญสติไว้ก่อนแล้วพอมานั่งปุ๊บ ก, ก็ไม่ต้องมาเจริญสติแล้วมีสติพอที่จะทําทใจให้นึกทัศนงมได้ทันทีคุณบิกกี้ครับขอากาดครับพระอาจารย์ถ้าผ้าเหลืองร้อนมีวิธียังไงทําให้เราไม่คิดอยากลาศิขาบ้างไหมครับข้อนี้ไปอยู่ในป่าใชอย่าไให้ ที่มันน้อนเพราะมันอยู่ใกล้รู่ปเสียงกินร้อน tu. อยู่ใกล้าการมาชันทะอยู่ตามวัดนีอยู่กันอย่างสงบอย่างสบายอาหารการกินสมบูรณ์บริเวณทุกอย่างไปหมดต้องไปอยู่วดัดป่าไปอยู่วัดทีอ่อดอยากขาดแค่อากาศขั ด, ขดสนอันนี้มันก็จะทําให้ทําให้ผ้าเหลืองเย็นลงได้แม้าจะาร้อนเรื่องการกินอยู่ก็ได้ มันอยาจะไปร้อนเขาเรื่องการทุกอย่างกลำบองของของการกินอยู่ก็อาจจะไม่อยากจะอยู่แบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นก็เวลาสิคะาถิดกระบวนนี้มันต้องอดทนมันต้องอยืนยบบมากน้อยสั้นดอนให้ได้มันจะอยู่ได้ถ้ามันอยู่แบบคลรวะญาญโยมมันก็เหมือนกับไม่ได้บวชใช่ไหมเพราะฉนั้นตอนนี้มีปัญหาจะทําอะไรเหมือนญาญโยมกินอยู่ดีกว่าญาญโยมดีกินมากก็จะออกกําลังกายกให้ญาญโยมมาทํำขึ้นแต่ให อะไรยังเป็รูป้างกันไปงมุมนะไม่มีการเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่มีการภาวนาเลยแล้วมาบวชทําไมมาบวชเพื่อมาทําพิธีกราบสดอเคราให้ญาติโยมนั่นเองทําบุญบางสังส่วนเนี่ยเป็นพิธีสลอเขราของญาติโยมนะไม่สบายใจก็ถวายทานสังฆทานนั่นหน่อย น, นิมนต์พระมาสวดมนต์นั่นหน่อยที่บ้านเลีล่ยงพระที่บ้าน มันก็เรงานหักสองส่วนแต่งานหลักของพระงานที่เขาทำให้ใจเย็นให้สงบไม่ทำอะไรเลยไม่มีการเจริญสติไม่มีการเปรียบเรื่อไม่มีการนั่งสมาธินทำไปใจยังไม่รอดนะคุณธัญรัตน์ครับดูลมแล้วหายเหมือนลืมหายใจรู้สึกว่าตัวไม่หายใจแบบนี้ทํายังไงต่อคะ รู้สึงว่าส ต, ติไม่มีมากกว่าถ้ามีส ต, ติมันจะรู้สึกทุกทุกข์ขนาดเวลาลมหายใจลมไม่หายหรอกถ้าเราเฝ้าดูมันตลอดเวลาแสดงว่าเราไม่ได้ดูมันตลอดเวลาล้วเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื น, น, นี้ทิ้งลงไปพอกลับมาไม่รู้ลมหายไปไหนนะจับไม่ได้ครับคุณเป็กกี้ครับในทางโลกโซเชียล มีส่งให้เราอยากเข้าไปรับรู้เรื่องราวต่างๆมากมายมีทั้งโกหกและเรื่องจริงนักปฏิบัติจะพิจนารณาอย่างไรครับ อ, ออย่าไปยุ่งเลยอย่าไป ย, ยุ่งกับเรื่องโซเชียลนักบวช น, นักปฏิบัตินี้เป็นพวกที่ไม่สังคมไม่คุกคีกับใครสมัยก่อนไม่มีโซเชียลก็ทันก็ไม่คุกคีกันแม้กับพระร่วมกันหรือผู้ปฏิบัติร่วมกันก็ไม่ให้นั่งจับเราจับเขาคุยกัน ไห้ยากกันไปอยู่คนละที่กันไปภาวนาไปทําจิตให้สงบเพราะมันไปคุกคีแล้วมันจะปรุงแต่งแล้วก็ไปปรุงแต่งไปเจอเรื่องที่ไม่ดีมันเดี๋ยวก็เกิดความเครียดเกิดความพุ่งสร้างกันใหม่เพราะชาวหลอกมาให้คุกคีกันสำหรับผู้ปฏิบัติให้อยู่ตามน้ำทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าต้องมาคุกถ้าต้องมาเจอกันมาทําจิตจะว่าต้องกันก็ไม่คุยกันปุกปากนะ คุณประชาครับจิตที่ไปสู่นิพพานยังสามารถรับทราบเหตุการณ์ปัจจุบันได้ไหมครับถ้ายังมีร่างกายอยู่ก็รับได้นะพระพุทธเจตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ยังรับรู้เหตุการณ์ต่างๆนด้ท่นสั่งส อ, งองงนอบรมพหนึ่งได้แต่เวลาตายเวลาก็จบไม่มีนาติดต่อเหตุการณ์ในโลกนี้ต่อไป <c oughs> คุณเสียงไทยครับอยากจะถามว่าสมมุติถ้าเราใกล้จะ ป่วยจากโรคไหลแรงหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาแต่ทรมานเหลือเกินเราต้องการจากโรคนี้ไปโดยสงบและเราขอร้องให้หมอช่วยจะพูดแบบภาษาหมอคือการลุญยาฆาตแบบนี้จะบาปไหมครับท่านอาจารย์บาปบาปแล้วก็ไม่ได้ทําให้ใจตายโดยสงบเวลาถูกฉีดยามันก็จะเครียดมันก็จะทรมานขึ้นมาทันทีการฉีดยาทำให้ตายมันไม่ได้ทําให้ใจสงบอันนี้ทําให้ใจสงบต้องมีสติอย่างเดียว มีปัญญาทุกอย่างคุณสมพรครับการที่คนเรามีการศึกษาต่างกันเกิดจากเหตุใดบ้างคนเราควรศึกษาวิชาธรรมหากินทางโลกกับวิชาทางธรรมแต่ทําไมคนยังเรียนรู้วิชาทางธรรมเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาอย่างน้อยรวมทั้งตัวโยมเองด้วยอยากเรียนต่อทางพุทธศาสนาบัณฑิตทางพุทศาสนาและปัญญาของมหาวิทยาลัยทางสงน้อมกลับขอคำแนะนำพระอาจารย์ครับ ก็อยู่ที่ทำสี่ประการเนี่ยความตั้งใจความจริงใจต่อการตั้งใจแล้วก็ความขยันหมั่นเพียรที่จะทํางานที่เราต้องทําแล้วก็มีความอดทนถ้ามีสี่ประการนี้ก็สามารถทําอะไรให้สำเร็จได้แต่ถ้าขาดสี่อย่างนี้แล้วทาไงก็ล้มเหลวตั้งใจจะไปเรียนหนังสือพอถึงเวลาจะเรียนจริงก็ไม่เอาเปลี่ยนใจสนแสดงว่าไม่มีสักดิ์ศรี ถ้ามีสัจจะตั้งใจถึงเวลาสมัครเรียนก็ต้องไปสมัครสมัครแล้วก็ยังไม่พอต้องขยันด้วยขยันไปเรียนนั่น็จแล้ว ส, สมัครเสร็จแล้วไม่ไปเรียนมันก็ไม่มันก็เรียนไม่จบอยู่ีพอสมัครเรียนแล้วก็ต้องมีทางบางอย่างที่จะไปเรียนถ้าพอมันรู้สึกยากมันก็ต้องมีควา ม, มดอดทนยากทายก็ต้องทนไปสู้ไปต้องมีสียอย่างนี้น่าจะทำอะไรได้ครบทุกอย่างได้ได้สําเร็จ แล้ยอย่างเราทำทำําเป็นกลุ่มเนึ่ยเราเรียกว่าอิทธิบาทสี่ก็ได้เหมือนกันอิทธิบาสสกับอธิษฐานสัจจะวิริยะคันเตก็คล้ายคลึงกันอิทธิบาสสีก็คือเราต้องมีความยินดีความชอบเรียนถ้าเราต้องการจะเรียนเราก็ต้องชอบการเรียนถ้าเราไม่ชอบเราก็จะขี้เกียจไม่อยากจะไปเรียนแต่ถ้าเราชอบอะไรแล้วความขยันมันจะมาเองมีความชอบแล้วก็ พอ ม, มีความชอบมันก็ฉันทะมันก็จะมีวิริยะความความขยันมันออกมาเองแล้วก็มีจิตตะความจดจ่ออยู่สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราชอบทำใจเราจะไม่ไปคิดทำเรื่องอื่นคิดแต่ทำเรื่องนี้อย่างเดียวเรียก ว, ว่าจิตตะแล้วก็วิมังสาว่านจะตามมาคือการคิดค่ายครัวเก็ บ, บางานที่เรากำลังทํามันจะไม่ไปคิดถึงเรื่องงานอย่างถ้ามีอิทธิบาทสิ่อมีอบารณีสิ ก็สามารถทําอะไรให้สำเร็จลุล่วงไปได้คุณมี่มีครับความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรมมีความต่างกันอย่างไรบ้างเจ้าคะความสุขทางโลกมันความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วก็มีมีความทุกข์ตามมาเช่นเวลาแต่งงานก็มีความสุขกันพอเวลาหยากันก็มีความทุกข์ตามมานี้คือความสุขทางโลกมีเจริญแล้วมีความเสื่อม มีความทุกข์ตามมาความสุขทางธรรมนี้มันจะเป็นคามสุขแบบไม่มีความเสียอถ้าเราปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆความสุขมันก็จะไม่มีวันเสื่อมแต่ว่าเราไปถึงขั้นสูงสุดเราก็หยุดการปฏิบัติได้เพราะว่าถึงขั้นสูงสุดแล้วมันจะไม่เสื่อม คุณวราพรครับพระอาจารย์เจ้าคะทำไมถึงมีเพื่อนที่เป็นพานสำหรับเราเจ้าคะเวลาเราก็ทําความดีจะถูกเพื่อนเหล่านี้ต่อว่าตักตอนพูดให้เสียกําลังใจพอเราก็ทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วพวกเขาก็หวัวเราะมีความสุขแต่เราทุกข์ค่ะเพราะเราเลือกเพื่อนไม่เป็นนั่นเองทำไมเวลาซื้อเสื้อผ้าเราเลือกไา้ทล้วนั้นซื่อกระเป๋าซื่อรองเ้าเราเลือกได้เรา เ, ลเวลา เ, าเลือกเพื่อนเราเลือกไม่เป็น เพเราเขาต้องดูที่นสายใจกอเขาสิว่าเขามีความมิหารศีลหรือเปล่าเขามีเมตตากรุณามุิตาอุเบกขาหรือเปล่าเข า, เามีศีลหรือเปล่าเขาเสพประบายยามุกหรือเปล่าอันนี้คือการการการมัดคุณภาพของคนดูที่พฤติกรรมของเขาไม่ใช่ดูที่ฐานะการเงินการทองแล้วอยู่ที่ประสบะการณ์อาจจะเค ย, เ ล, ยลองเรียนเดียวกันมาอะไรนี้ไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควระจะนำมาใช้ในการเลือกคน อันนี้เราจะเลือกคนนี้เราต้องเรือกหรือว่าเขามีศีลจะทำหรือเปล่ามีศีลนักษาศีลได้เป่าเศรษฐ า, า ย, ยังุกหรือเปล่ามีเมตตาธรรมหรือเปล่ามีภมิหานศีลหรือเปล่าอันนี้เราเป็นเครื่องวัดคนที่เราจะครบด้วยคุณเออครับน้ำพระสการเจ้าค่ะแม่ชีขอโอกาสเรียนถามเรื่องการปฏิบัติโยมปฏิบัติแล้วมีสภาวะตัวเบาเดินก็เบานั่งก็เบาแต่โยมไม่เชื่อว่าเป็นสภาวะ เพรเวลาเดินมีความรู้สึกโครงเครงตลอดเวลาเจ้าคะ่ะถ้ามันเบาก็แสดงว่ามันใจเริ่มเบานะถึงรู้สึกตัวเบาได้แต่ถ้ายังโครงเครงอยู่ก็เพราะว่าสติเรายังไม่มั่นคงขนาด้ต้องไปยาำฝึกสติให้มากขึ้นไปคุณตามฝันครับกลับเรียนถามค่ะในการเพียรเจริญสติให้ตั้งยืนฐานทั้งสี่โยมพยายามทําตั้งแต่ลืมตาตื่นของทุกวัน แต่ยังไม่แน่ใจว่าวางจิตถูกต้องหรือไม่จึงขอยกตัว อ, อย่างสกกิจกรรมหนึ่งมาสอบถามนะคะเช่นในขณะที่เรากําลังพูดคุยงานกับลูกน้องอยู่ขณะนั้นจิตเราควรอยู่ในฐานไหนคะฐานกายเวทนาจิตหรือธรรมเจ้าคะอ๋ออยู่บนฐานกายอย่างเดียวเวทนาจิตนี่ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปถึงจุดนั้นเมื่อตอนเวลาจารสตินี้ให้อยู่ที่กายอย่างเดียวดูการเคลื่อนไหวดูการกระทําต่างๆของกาย ไม่ต้องไปดูเวทนาไม่ต้องไปดูจิตไม่ต้องไปดูธรรให้เราดูว่าเรากําลังพูดอะไรกําลังฟังอะไรกําลังกินอะไรกําลังดื่มอะไรให้ดูอย่างนั้นอย่างเดียวดูที่ร่างกายดูพฤติกรรมของร่างกายเป็นอย่างเดียวเป็นการจาระสติเพื่อให้ใจไม่ไปลอยไปคิดเรื่องอะไรไม่ต้องเปลี่ยนฐานเมื่อตอนนี้ต้องฝึกสติอยู่ที่ฐานกายก่อ คุณอชลาครับคุณแม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลเข้าๆออกๆออวางใจไม่ได้ทุกข์และเครียดตัวสิทธ์ฟังคำสอนของพระอาจารย์รู้ว่าแก้อะไรไม่ได้เป็นเช่นนั้นเองสิทพยายามให้กำลังใจทำบุญอธิษฐานให้แม่สิทธิ์สามารถทำอะไรให้ได้มอีกไหมคะทำสติไงการสติให้มากใจเราจะได้เป็นอุเบกขาจะวางจะถาวใจได้พอเราขาดสติค่ะอุเบกขาถึงแม่มีปัญญาเราก็ยังวางไม่ได้ ถ้าเรามีสตมิมีโเบขาแล้วพอเรามีปัญญาเราก็จะวางได้อย่างง่ายดายอันนี้เราขาดสติขาดเบคาพยายามบำ น, นสติให้ม า, มากๆขึ้น ค, คุณทันวรัตครับการนัศการพระอาจารย์ก่อนนั่งสมาธิไม่เคยอยากเห็นอยากรู้อยากเจออะไรอยู่แค่กับลมหายใจปฏิบัติสมาธิที่บ้านบนสะพานไม้หน้าบ้าน สักพักเหมือนมีคนมากระทึบสะพานแล้วโดดเข้ามาใกล้ๆทาให้ตกใจออกจากสมาธิกระทันหันแล้วเริ่มกลัวนั่งพลั้งต่อไปหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างคะต้องปฏิบัติด้วยการมีสติมีสติแล้วก็จะสัตแต่ว่ารู้เฉยๆไปเมื่อเหตุการณ์ต่างๆเป็นไปแล้วเป็นอนิจจไม่เที่ยงก็ขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอ น, นั่นตาเราไปก็หมดตังคับมันไม่ได้มันจะเกิดก็ไม่เกิดเอาไปห้ามมันไม่ได้ แต่ถ้าเรามีสติรูเ้เฉยๆมันมาแล้วมันก็ไปพยายามรักษาใจเราไม่ให้ตื่เนเตตกใจเท่านั้นเองเราพยายามเข้าใจว่ามันเป็นสภาวะารรมที่เป็นที่อนิจจทุกขังของนั้นแต่ถ้าเราไปยุ่งกับมันมันก็จะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่ยุ่งปล่อยให้มันมาแล้วก็ไปมันก็จบเท่านี้น<อ>คุณกันทรัตครับ การมรดการขบอาจารย์เวลานั่งสมาธิเปิดเสียงน้ําไหลเสียงธรรมชาติจาก youtube แล้วนั่งสมาธิได้นานจิตล่องลอยไปไกลรู้สึกสบายทําแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะได้แต่ไม่ไม่ดีคนจะนั่งแบบไม่ต้องมีอะไรภายนอกดีกว่าเดีย๋ยวต่อไปมันจะติดเดี๋ยวต่อไปที่ที่ไม่มีเสียงให้ฟังมันจะนั่งไม่ได้ทําแบบโบราณดีกว่าเอาของที่มีอยู่ของตัวเราเนี่ยในไหนก็ยังไม่ต้องค youtube ไปด้วย ไม่ไปไหนนั่งชมยูทูบหรือยงนั่น YouTube, ง, งสมาธิได้เอารมหายใจของเราเนี่ยดูลมหายใจของเร า, า, ยาอย่างเดียวคุณอู่ครับถ้ายังไม่บรรลุพระโสดาบันแล้วป่วยเป็นโรคอามาัมพฤกษ์เสียก่อนจะทรามานมากใช่ไหมคะก็ตอนนี้คนระ้สึกยังไงถ้าคุณเป็นเป็นแต่คิดแค่ทรามานแล้ไม่ใช่ถ้าเป็นจริงๆขึ้นไปยิ่งไ ม, ยงไม่ยิ่งไม่ทรามานมากขึ้นไป คุณเจสครับการนักพิสการครับผมขอสอบถามหากทํากรรมกับพระอริยบุคคลโดยที่ไม่ทราบว่าท่านบรรลุธรรมโดยกรรมนั้นอาจล่วงเกินทางวาจาและใจผลกรรมนั้นจะต่างกับกรรมที่ทํากับบุตรชนทั่วไปหรือไม่ครับไม่ต่างหรอกเหมือนกันว่าเราไม่รู้ว่าท่านเป็นใครนั่นเป็นาอาภาริยะหรือไม่เราไม่รู้ว่ามันเรื่องของจิตใจของท่านแต่สิ่งที่เราจะทําให้เราขาดประโยชน์ไปก็คือเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากบุคคลนั้น ถ้าเราไปร่วมเกิดท่านถ้าเราไม่มีความเคารพไม่มีความศรัทธานในตัวของท่านเราก็จะไม่ได้เรียนรู้จักท่านนะแต่เรื่องการการะทาถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนี่เราก็เหมือนกจะทำกับคนที่ที่เราไม่รู้จักแม น, นแต่สมมติถ้าเป็นพ่อแม่เราแต่เรากำพาะแยกทางกันตั้งแต่เด็กพ่อแม่ทิ้งเราแล้วเราไปอยู่กับคนอื่นได้พ่อแม่ใหม่ แล้วเราตขึ้นเราอาจจะไปเจอพ่อแม่โดยที่เราไม่รู้จักว่าเขาเป็นพ่อแม่หรอเวลาจะมีเรื่องเวลาของเขามันก็มันก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เป็นบาปกรรมเป็นบาปว่าอาจารยยกรรมอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่หรอเราต้องรู้ว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องรู้ว่าเขาเป็นป้าอะไรเป็นลงตาจ้แล้วเรายังยังอยากที่จะทําร้ายเขาอยู่อันนี้อันนี้เป็นบาปจริง คุณเบลครับการเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าชาตินี้เราให้ทานรักษาศีลภาวนาตามกําลังที่มีแต่มีจิตใจน้อมต่อพระนิพพานถ้าชาตินี้ยังไม่ชาติยังไม่ได้ชาติต่อ ม, มาเราจะได้เจอพระศาสนาในพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรือไม่ครับ อ, อันนี้ก็แล้วแต่ทางหวยเหมือนทางมวยทางวยนี้จะถูกไหมถ้าไม่ถูกแล้วเราทางมวย น, น้าจะถูกไหมมันไม่มีอะไรแน่นอนอนาคตจังหวะที่เราจะไปพบกันนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรากําหนดัำได้ เวลาที่ผู้เจ้ามาเกิดกับเวลาที่เรามาเกิดในโลกนี้อาจจะไม่ตรงกันก็นได้คุณ น, นานนพรครับกราบเรียนหาพระอาจารย์ทำข้อใดหรือเราต้องคิดอย่างไรที่เราจะสามารถหยุดยั้งใจเมื่อเราเจอกับคนที่ชอบพูดดูถูกเปรียบเทียบหรือด่าทอและต้องคิดอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อตนครับก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้ปัญญาหรือใช้สติ ใช้สติเราก็พูดโธรพูดโธรไปไม่ต้องไปสนใจกักปิยาการของเขาถ้าเราใช้พูดโธรไม่ได้ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเขาว่าเป็นเหมือนยิงฟ้าอากาศไปเป็นอนัตตาเวลาฝนตกทําให้เราเปลี่ยนทั้งตัวที่เราไม่เคยกดฝนเนี่ยนะเพราะเรารู้ว่ามันไม่มีตัวตนคนก็เหมือนกันคนก็เป็นเหมือนยิงฟ้าอากาศเขาก็ไม่มีตัวตนเขาเปลียนแต่นักปียาลักษณะมันก็มีเป็นตัวตนท่านเนี่ เห็ขาพูดกขาทำอะไรทําให้เราเดือดร้อนเสียหายเราก็ไปโกรธเขาเพราะเราเชื่อเขาเป็นตัวเป็นตนใช่ไแต่ถ้าเรามองเขาว่าเป็นเหมือนดินทากันเราก็จะไม่ไปโกรธเขาแล้วน้ำท่วมบ้านเราเสียหายยั่งยืนขนาดไหนเราเราก็ไม่ไปโกรธน้าใช่ไหบเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเช่นใดด้านกายที่ทําอะไรต่างๆพูดอะไรต่างๆก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันเขาทำมาจากดินน้าลมไฟหรือมี แต่เราไปยึดติดว่าก็มีตัวตนเขาเขาไม่ควรจะทําอย่างนี้กับเราพอเราไปคิดอย่างนี้พอเขาทำแล้วก็เลยโกรธเขาขึ้นมาคําถามนี้ก็เลยเหมือนพระอาจารย์ตอบไปเลยครับคุณกฤษณพันธ์บอกว่าการที่เราต้องได้รับบาดเจ็บทางกายจากการกระทําโดยประมาทของบุคคลอื่นเราจะวางจิตต่อผู้กระทําทอย่างไรครับก็นั่นแหละโอเคว่ามันเป็นเรื่องสุดที่สุดเลยเมื่อที่เดินไปตอนมะพร้าวหล่มาทับศีรษะเราตาย ไปโกรธมะพร้าวหรือเปล่าโกรธลูกมะพร้าวหรือนนเปล่าในการขับรถไปเกิดอุบัติเหตุเขาไม่รู้จักเราเราไม่รู้จักเขาเพียงแต่เขาประมาณเั่นเล่าแล้วเขาเมาหรือว่าเขาหลงรอนหรือเขาลอคุยกับแฟนเขาไม่ได้ดูถนนทําให้เขาไปชนรถคันนั้นคันนี้ ข, น ข, าาขึ้นมาก็เกิดความตายไปโกรธเขาได้แหละแต้องไม่ได้อะไรอยู่นี่ก็ได้แต่ความทุกข์ช่วยไม่ไปโกรธเขาดี่ว่ะ ทำใจเฉยๆไปยอมแล้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาก็จบใช่ไหมคุณพวันชิตครับตีลูกงูเห่าจนตายจะบาปไหมคะมันตกใจและกลัวมันทำร้ายคนในบ้านครับไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่มันบาปทรงนั้นนะอะเขาเซนที่มีชีวิตถ้าเราไปทำร้ายเขาแล้วเาตายแมแต่มวนม า, าเาาร็งก็บานคุณสมพรครับ ทำไมบ่อยครั้งเราจะเห็นคนนั้นคนนี้มีบารมีเหลือเกินเขาทําบุญอย่างไรมาหากมาดูตัวเองช่างเป็นธรรมดาเหลือเกินแต่บางคนมีออร่ามีบารมีออกมาไม่ได้เปรียบเทียบหรือมีความอยากแต่อย่างใดเพียงแค่สงสัยว่าตัวเองทําไมไม่มีออร่าบารมีเช่นคนคนนั้นบ้างหรือว่าออร่าบารมีของโยมก็มีอยู่เพียงแต่ต้องเป็นคนอื่นที่เป็นคนเห็นน้องกลับขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับก็มีคําพูดว่าแข่งรถแข่งเรือพอแข่งกันได้นะแต่แข่งบารมีนี่แข่งไม่ได้ กันในของที่ต้องสะสม ก, กันมาแน่ดีถ้าคุณจะแรงทานบารมีเมตตาบารมีมาก่อนคุณไม่ได้มีออร่าคนที่ทําทานก็อยินกับใครที่ไหนเขายินดีต้อนรับใช่ไมเปย์ตลอดเลยไม่เวลากินอาหารก็เป็นเจ้าภาพเสมออย่างนี้ไม่ใช่ไปไปก็ร้อยคนเหนก็จ่ายตัวเองทเนียมเนียมไม่รู้ไัญชีอย่างนี้มันก็ไม่มีบารมีค <Okay. S 1> รับพอยังโหวเงินอยู่เสียได้เงิน แต่คนมีบารมีนี้ต้องไปเต็มที่เลยอรับผมจัดการเองเมืนี้ผมจัดการเป็นเจ้าภาพเองไม่ว่าอยู่ที่ไหนคนก็จะยินดีต้อนรับทันทีเอาพี่คนนี้มาแล้วพี่มานั่นงกับผมหน่อยดีพอมีเมตตาบารมีมีทางบารมีเราสร้างสองอันนี้เถอะแล้วต่อไปจะมีออร่าไปไหนจะมีแต่คนรักคนชอบอันที่สของขอ ง, ของ ของเมตตาบา ร, รมีก็มีล่องสิทธิประกาบอันที่สำคัญก็คือจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะเป็นเทวดาจะคุ้มครองรักษาอารักขาคนดีนะเทวดาก็ชอบมนุษย์ก็ชอบคนไม่ดีไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเกลียดคุณแบมแปครับการน้ำรสการพระอาจารย์ครับ ทุดงควัตปฏิบัติเพื่ออะไรคะและเลือกได้ว่าจะถือข้อไหนและนานเท่าไหร่หรือเปล่าคะเพื่อปรามเพื่อปราศิเลต ท, ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัจจัยสี่เรื่องการกินการอยู่การใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มพระพุทธเจ้าสอนให้กับพระที่ต้องการที่จะปราบกิเลสให้มากกว่าที่พระวิ น, นัยสามารถปราบได้พระวิ น, นัยคือสิ่งสองร้อี่สิบเจ็ดข้อนี้ปราบเลได้ในระดับหนึ่งแต่ยังมีข้ออื่นที่ มีอย่างอื่นที่ปราบไม่ได้ต้องอาศัยทุนดอกขาะแต่ถ้าว่าถ้าพระเจ้าบังครับทุนดอกขาวให้กับภาพ ท, ทั้งโลกก็กลวดี๋ยวจะไม่มีภาพบางบวชอ่ะเพราะว่าอินทรีย์ของแต่ละคนไม่เท่ากันคนที่มีอินทรีย์อ่อนนี้จะไม่สามารถปฏิบัติทุโนดอกขวได้เพราะมันเข้มงวดก่อนกันเปลี่ยนเหมือนกับฐานก็มีหน่วยงหน่วยรบพิเศษใช่ไหมฐานธรรมดากับฐานที่เรียกว่าหน่วยรบพิเศษพวกหน่วยรบพิเศษนี้เขาต้องเอาคนที่สุดยอดเขา ของทหานมาฝึกใหม่ทีให้ไปเจอกับความทุกข์ยากลำบากที่แคบข้นก่อนจะทำตามปกติอันนี้ก็เหมือนกันทุนนงควัดก็เป็นเหมือนกับหน่วยงานปฏิบัติพิเศษของพระพร ะ, พระที่ต้องการที่จะมีความสามารถในการปราบปามกิเลสได้มากขึ้นต้องอาศัยทุนนควัดเช่นฉันเมื่อเดียวปกติอาวินัยไม่ห้ามให้ฉันกี่เมื่อก็ได้แต่ไม่ให้ันหลังจากเที่ยงวันไปแล้วต่างกนหะ ครับแ ล, แล้วอย่างพระอาจารที่บ้านตาดหลงตานี้มีให้ถือไหมครับปกติาพระป่าทั่วไปทุก ว, วันนะ่ตามสายหลวงปู่มั่งจะถือหนึ่ง 1, บินตบายเป็นวัดไม่ขี้เกียจไม่ให้ไปสั่งอาหารนอนนี่ขี้เกียจเดี๋ยวสั่งให้ลูกศิษย์ไปจัดอาหารมาให้ไม่ไม่ให้ทำถ้าจะฉันก็ไปบินสบายถ้าขี้เกียจบินสบายก็อยากฉันให้อดอาหารไปฉันได้บาทก็เพื่อความ ความชิวจี้จุกจิตความรักความชอบในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารเอามันเทงเขาไปในบาดมดแดงของวายของขาวเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในในในในท้องอยู่นะแล้วก็ชั้นมื่อเดียวชั้นครั้งเดียวพอรู้แล้วก็ไม่ฉันติดต่อไปวันนั้นชั้นเสร็จแล้วก็จ บ, บว affe, ินดบาดชั้นด้บาทชัท้นมื่อเดียว ในช่วงเข้าพรรษานี้ท่านลดการรับอาหารที่ตามมาหลังจากกลับมาจากมินดาบะพอเข้าเขตว่าแลญาติโยมจะเอาหารมาถวายท่านไม่รับละในช่วงเข้าพรรษาท่านต้องการที่จะลดออจํานวนอาหารที่ท่านได้มามันมากเกินไปถ้ามันทําให้เสียเวลาของการที่จะต้องมาม า, ม า, ม, ามาจัดการเหมือนแต่ญาติโยมก็ดันมาตั้งโต๊ะอยู่ที่หน้าประตูวัด ว่าไมว่าถ้าเข้าไปในวัดแล้วถอยไม่ได้ก็มาตั้งโต๊ะแถวยาวเป็นกิโลเลยที่หน้าว่าตัดนั่นตคดแค่นี้แถงที่หน้าวัดคือมันมาจากการถือทุดดอกขวข้ข้อเนี้คือไม่ได้มาหาที่ได้จากไม่จากกรรมาจากบิดาบัดทั้งางการมากน้อยสันโดษเอาเท่าที่ได้มาจากมิดาบัดก็พอนะแต่ญาตโยมชอบมาสายกันมาไม่ทันก็ถือว่ายังไปถวายที่ศาลาได้ก็เลยไปถวายที่สาลา แต่พอเข้ากันสานี่ถ้าไม่รับจริงๆก็เลยต้องมามาดักอยู่ที่หน้นปาประตูวัดแล้วพระกลัมจากบินสบาดก็ต้องรับอีกอีกอีกรอบหนึงที่หน้าวัดแล้วที่สี่ก็ที่ทเกี่ยวกับเรื่องของการฉันขบฉันการใช้ผ้าจะให้ใช้ผ้าบังสกุลถวันนี้ไม่มีแะ้วผ้าบังสกุลก็คือผ้าหอ่อศพให้ไปเก็บผา้าที่ก็อ่อสพไว้ที่ไม่ในป่าช้า เอมาตัดมาเย็บมาซักม า, า, กมาย้อมให้เป็นจีวรนี่วผ้าบักสุขแล้วก็ใช้ผ้าหนึ่งชุดหนึ่งสำรับคือผ้าไตาหนึ่งชุดก็พอไม่ต้องมีสำรองไม่ต้องมีชุดที่สองชุดที่สามเอาแค่ผ้าคงหนึ่งพื้นผ้านุ่มหนึ่งพื้นผ้าหุบกันหนาวอีกหนึ่งพื้นเป็นผ้าไตานี่นะคว่าเป็นการนั่งน้อยสันโดษปริเลความมากักมากปริเลมันชอบมากมาก ชอบมีผ้าหลายชิ้นหรืมีเสื้อผ้าหลายชุดอะไรทำน เ, าเอาเท่าที่จะเป็นเป็นต้น <Okay. S 1> ที่อยู่อาศัยก็ถ้าไม่มีกุฏิอยู่ก็อยู่ปากคนปากปากคนอยู่ตาคนไหมถ้ามีกุฏิก็ยินดีตามในทางเกิดเขาจะจัดให้อยู่กุฏิไหนก็อยู่ไป อาจารย์ขอโอกาสอีกข้อนึครับคนนี้ถามถึงคุณแม่ครับแม่โยมป่วยอยู่โรงพยาบาลก่อนป่วยโยมให้แม่ฟังทำเสมอแม่ก็ฟังและเข้าใจดีแต่พอป่วยจริงรู้สึกโยมแม่โยมกังวลและมีเวทนาโยมบอกแม่ว่าให้ภาวนาพุทโธแต่พอเจอเวทนาแม่ไม่มีสติเจ้าค่ะโยมควรทําอย่างไรดีเจ้าคะสงสารแม่ค่ะก็มันเป็นเรื่องของแม่คือตอนนี้เหมือนกับแม่ขึ้นเวทีช็อกแล้วแหะ เราเป็นคนอยู่ข้างหน้าก็ได้แต่ตะกรอบให้โชกซ้ายชคขวาไปเลยเตะซ้ายเตะขวาไปแต่คนชคมันจะได้ยินหรือเปล่ามันจะรับตามได้หรือเปล่านี่มันก็มั็นเรื่องของเขาแล้วเพราะเอาไม่เตรียมตัวมาไว้ก่อนหรือเตรียมตัวไม่ไม่พอพอขึ้นถึงเวลาก็ถูกคู่ต่อสู้นอกคือกิเกล็ดนั่งตอนนี้คุณเป็นคนก็ทําหน้าเพลงแต่อัอธมามาเปิดให้หน้าคฟังต่อไป ในฐานว่าแม่ต้องการให้หนูทำอะไรก็ทำแต่ทําที่แม่ต้องการแล้วถ้าแม่ผิดศีลผิดครับกท็ทําได้เท่านี้นะเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอักตาเหี้ยตโนานาโถเราปฏิบัติแทนกันไม่ได้ตัวใครตัวมันถ้าเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องทําใจให้เป็นอุเบกขาอย่าไปทุกข์กับแม่ไม่เกิดประโยชน์อะไร อาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆในเ c e b o o k ฟังธรรมอยู่741คนในย t u b บ834คนครับในขับเฮ u ส e 25คนวันนี้มีเพื่อนๆที่ฟังธรรมพร้อมกันพันหกร้อยกับหนึ่งคนนะครับอาจารย์ครับยินดีกับทุกการให้กำลังคามัรมาคางจะนำอักไปใช้เกิดประโยชน์ได้มากไม่มากกันน้อยสำหรับข่าวหน้าก็อันนี้ก็จะลองใช้เครื่องนี้ไปเรื่อยๆก่อนเพราะบางทีมัอาจะไม่มีปัญหาก็ได้ ถ้ามันมีปัญหาบ่อยค่ะจะต้องให้ช่างเข้ามาช่วยแก้เน้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีการแสดงสดแบบนี้กนะ็ถ้าเกิดอยู่ ด, ดีเราหายไปจะอหอยหรือว่าบางทีเครื่องมันมันมันป่วยขึ้นมากระทานหันเราก็จะกลับมาภายในห้านาทีสิบนาทีเป็นอย่างว่าเราจะมีเครื่องสำรองในนอตพกเปลือกเครื่องนึงสามารถที่จเข้ามาได้แต่ถ้ามันมีนอตพกเปลืกเข้ามาไม่ได้ก็ยังมีมือถือยังเข้ามาทางไลน์ได้อยู่ ทก็อย่างน้อยก็อาจะจะไม่ให้มันขาดตอนอาจจะขุกขาดบ้างนิดหน่อยก็ต้องขอทายด้วยเพนนี้คือโลกของข้า น, นิจจ์โลกที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้น่นอนว่าคงจะเข้าใจสําหรับรวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรในเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจรารณาปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางนี้ยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุ ก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ขอจเจริญพรครับกลับขอบคุณพระอาจารย์ครับ